พระอาจารย์ครับการนมัสการครับผมจเจริพรญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยเก้าครับข้ามสี่ปีมาเรียบร้อยนะครับพอาจารย์ครับเข้าสูที่ห้าเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อเช้าไปบินาบาตรคนไปใส่บาทเยอะไหมครับผมก็เกือบสี่ร้อยมาณสามร้อยเก้าสิบหก อ๋อครับแล้วคนไปทางบ้านอีกสองร้อยกว่าที่ที่ฝากทำทางบ้านอีกสองร้อยกว่าครับแล้วไปฟังทำตอนบ่ายเยอะไหมครับอาจารย์ครับประมาณรนะ้อยเจ็ดสิบห้สิบร้อยเจ็ดสิบโอ้ดกง่ายก็เจ็ดร้อยกว่าที่คลังติดตามทางมีเดียตางเจ็ดร้อยกว่าคนครับผม ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆอยู่ในนี้ประมาณเก้าร้อยคนแล้วครับอาจารย์ครับวันนี้วันนี้อยากฟังเรื่องปัจจัยสี่ของใจครับอาจารย์ครับวันก่อนได้ฟังพระอาจารย์เทศเมื่อสองสัปดาห์ก่อนครับผมเลยขอปัญญาพระอาจารย์เทศท้งนี้ด้วยครับผมกับขอความเมตตากับอาจารย์ครับคือร่างกายของเราก็ต้องการปัจจัยสี่องการอาหารเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัย ระยารักษาโรคชั้นใดใจเราก็เหมือนกันก็ต้องการปัจจัยสีเพื่อให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนแต่ปัจจัยสีของใจนี้อาจจะไม่เหมือนของไม่เหมือนของปัจจัยสีของร่างกายแต่ก็เราก็เรียกว่าปัจจัยสีได้เหมือนกันคืออาหารเครื่องมอขที่ออาศัยระยารักษาโรคของใจมัน <Yeah. S 1> ของใจคืออะไร อาหารวจก็คือการทําบุญทาทานสังเกตดูถ้าเราทำบุญทาทานแล้วเราจะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจขึ้นมาสมใจขึ้นมานั่นแหละคืออาหารแต่เราอาจจะต้องเลือกเวลาเราทําบุญเราต้องเลือกทำกับบุคคลหรือสองค์กรที่เราคิดว่าทําบุญทําประโยชน์และเราเห็นว่าทําไปแล้วทําให้เราได้ช่วยเหลือสัองคมหรืออะไรอย่างนี้ได้ช่วยเหลือบุคคล ทำไปแล้วมันก็จะเกิดความเพื้อปิติเกิดความสุดใจขึ้นใจขึ้นมาอ่นี่คืออาหารหัวใจาการดำบุญดำทานสามารถทําได้กับทุกทุกคนทุกแล้วแต่เราจะศรัทธาแล้วแต่เราจะมีความชื่นชมยินดีทํากับวัดก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํา ก, ท ก, ก, ทกับสถานสงเคราะ์คนชราเด็กกำพร้าเรืออะไรทำเรานี้ ในแม่ตทศในรชาา์จป็นการไปถ่ายชีวิตบัวควายเป็นต้นซึ่งเป็นไปซืป้อปลามาจากตลาดที่เขาจะค่าแล้วก็ามาปล่อยอย่างนี้ทำแล้วก็จะเกิดความสุขใจอย่างใจขึ้นมาที่เราได้ทำคุณประโยชน์ได้ช่วยหรือชีวิตของเขานี่คืออาหารหงใจวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราขาดอาหารหงใจแล้วเราก็ไปทาบุญ ดีกว่ไปหาความสุขจากการเสบนกเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะมัเป็นเหมือนเสพยาเสพติดถึงแม่จะให้ความสุขแต่มันให้ความสุขแบบไม่อิ่ ม, ม, ม, ม, มีความรู้สึกอิ่มเอิใจนอกจากจะมีความรู้สึกหิวโหยตามมาหลังจากที่ได้เสพแล้ว <S <S 1> <S 1> เ่นออรเืงดี๋ยวก็อยากจะดูอีกเรื่องหนึ่งมา <S <S 1> <S 1> ดูดูกลิ่นเรื่องก็ไม่อิ่มไม่พอแต่การทาบุญด้วยวิญญาณอยู่กับใจเราไปนาน แม้ก็ะทั่อาจจะทําไปเป็นเดือนสองเดือนคือเราเราเลิกถึงมันมันก็ยังทำให้เราเความสุใจอย่มีใจแล้วรอบุญ น, นี่แหละที่จะติดไปกับใจของเราที่จะเป็นสเสบยที่จะคอยเลี้งดูใจของเราไม่ให้หิวโอยให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็คือให้เราไปยไปอยู่ในสุขติไปอยู่ในสวรรค์นั่นเองนี่คืออาหารของใจ ถ้าวัานไหนเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรใจเราไม่มีความสุขเอาไปทําบุญดีกว่าอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อของหรูหราเรือเอาไปกินไปเดิมไปเที่ยวไปอะไรเขาก็อันี่มันเป็นบัญญอนยาเสพติดยังไม่ได้ความสุขใจก็เป็นความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่ได้เศษได้สัมผัสพาผ่านไปแล้วก็รู้สึกอ้าว่างปรับเปลี่ยนเดียวดาเหมือนเดิมนะให้เอามาทําบุญแล้วใจเราจะมีความอิ่มมือรักษาใจให้เรามีความอิอ่มอกใจ แล้วความยุ่เหยกับการที่จะหาความสุขจากลูกเสียงกินว่าต่างก็จะน้อยลงไป น, นี่คืออาหารของใจ พ, พูดแบบเข้าข้าะพอสรุปให้ความส่วนเครื่องรูปห่ของใจก็คือศีลธรรมนี่เองการรักษาศีลนหะ้าไม่ทำบาปเสื้อผ้าพอของร่างกายมีไว้เพื่ออะไรเพื่อเสริมความสวยงามสเสน่ห์ ความมีศักดิ์รีของผู้ผใสในเวลาไปสภาในคุณบอก็ต้องแต่งตัวแบบชุดของสวอเนีอันนี้ก็เสริมเสริมรัศมีเสริมเสริมเกียดอะไรต่ตางๆเสื้อผ้าบางก็ทำให้คนดูสวยงามขึ้นใจเสื้อผ้าบางของใจคือสีหน้านี่ก็จะทำให้ใจนี้เป็นใจที่สวยงามมีคนอยากจะกคบค้าสมาคมด้วย ระหว่างคนที่ไม่มีศีลกับคนที่มีศีลคือหมอจะเลือกคบค้ า, ากับใครคนมีศีลครับนั้นศีลห้านี่เป็นเหมือนเสื้อผ้าปล่อยของใจทาให้ใจเป็นคามสวยงามน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะคนมีศีลนี้ไม่ทําร้ายใครไม่เดียดเรียนใครนั่นนอกจากเป็นเสื้อผ้าป่อยที่เสริมสวยความงามแล้ว ภูใจแล้วยังเป็นเครื่องป้องกันภัยด้วยเหมือนเสื้อผ้าของร่างกายแล้วก็สายไว้เพื่อป้องกันแมลงสัตว์กับต่อยได้ยุงกัดอะไรถ้าเราใส่เสื้อมันก็กันไม่ได้ช่วงที่เราเป็นช่วงที่เราใส่เสื้ออยู่หรืออาจจะป้องกันเรื่องการถูกของแหลมคมขูดฉีดก็ได้มีรายเข้าไปในพุ่มไม้เะไรต่างๆนี้อาจจะในของของแหลมของคมยังป้องกันไภัยได้แมลงสัตว์กัดต่อย ของแหลมของคมแล้วก็ป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นเวลาหนาวเย็นเราก็ใส่เสื้อผ้าหนาก็ป้องกันความเย็นที่จะเข้ามาทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้ว ม, มีหน้าที่ช่วยป้องกันภัยของร่างกายได้เั่นใดเสียนก็ป้องกันภัยของใจใจก็มีภัยเหมือนกันภัยของใจคืออะไรบอกเราเราตานะฟังเพื่มมานาทงานนะ ก็สิ่งที่มากระทบต่างๆอครับไม่ว่าจะเป็นจากกายวาจาหรือสิ่งที่การกระทําของบุคคลอื่นเนี่ยมันกระทำให้ใจเรากับเพื่อนมีความทุกข์ขึ้นมาได้ครับไม่ใช่หรอกไปที่มากระทบใจเราก็คืออบายอบายสีประฐานกานไปเป็นเดราชานเป็นเปรตอาอัยร่ากายไปตกนรกอันนี้เราจะป้องกันได้ภายเรืองนี้จะไม่มาครอบงาจิตใจเราเถ้าเรารักษาสีหน้าได้เราจะไม่ตาย ตายไปเราจะไม่ไปเกิดเป็นเวรัจฉานถ้าเราท ugly, ําบาปด้วยความหลงนี่เราก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราทําบาปด้วยความโลภเราก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าเราทําบาปด้วยความโกรธเราก็จะไปเป็นนักสืบกายถ้าเราทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเราก็จะไปตกนรกแต่ถ้าเราไม่ทําบาปเหล่าน uh> ี้เลยอบายก็เกิดขึ้นกับใจเราไม่ได้ นี่ลนะคือสินซีในนัสสุกติยันติสินเป็นเหตุที่นําให้จิตใจไปสู่สุกติไม่ใช่ไปสูทุกติอ่ากองกันไะัภัยของใจก็คืออบายสินเนี่ยถ้าเรารักษาสินธาุ้ได้แล้วประกนนารได้ว่าชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำอย่างแน่ น, นอน ย, อยามะจะรักษาระดับของความเป็นมนุษย์ไว้ได้แล้วถ้าเราทำบุญทำทานควบคู่กับการรักษาศีนได้ มันมีจะสมงให้ใจาเาขึ้นสวรรค์ไปสู่สุคติต่อไปอนี่คือนีน่คือสีเป็นเสื้อผ้าป่อยของใจเนไม่ําหแับเสริมกับความความสวยความงามของใจแล้วก็ป้องกันภัยที่จะมาคุกคามใจคืออบายทุกสีส่วนที่อยู่อาศัยก็บ้านบ้านของร่างกาย ก, ก็คือบ้านชั่วคอนโดอะไรต่างๆที่ดอกแยัดดอกมันดอกอะไรภายต่างๆ ใจก็ต้องในที่เราความวุ่นวายใจต่างๆความทุกร้อนต่างๆก็คือการเข้าสมาธินี้การฝึกสมาธินี้เป็นบ้านของใจถ้าเราเวลาเราทุกข์มากวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พอเราเข้าสมาธิปับ๊บจิตเรานิ่งปับ๊บเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ใจวุ่นวายก็จะหายไปเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ข้างนอกบ้านมันร้อนเราก็เข้าไปในบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศน เราไปขาาาาเข้าภาวะกายความร้อนก็หายไปความเย็นก็เข้ามานี่ก็คือบ้านของใจก็คือสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆแล้วเราจะไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดมีความทุกข์ทางใจเมื่อไหร่เราก็สามารถเข้าสมาธิได้เน้อสมาธินี้เป็นบ้านแต่เราไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ตลอดเวลาเพราะเราต้องออกไปทํากิจต่างๆ เราไปทำกิจต่างๆใจเราก็อาจจะวุ่นวายได้ถ้าไม่มีบ้านเข้าไม่สามารถเข้าสมาธิได้สทีนั้นต้าป้าศัยก็คือต้องใช้ใช้ยามารักษาใจเวลาใจเครียดใจทุกข์ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งโรคโรคภัยแค่เจ็บหัวใจก็กทุกข์เครียดต่างๆความไม่ตกความขัว้ววความหวาดตัวอะไรอย่านี้ถ้าเรามีมียารักษาใจคือปัญญาปัญญาเนี่ยสามารถที่จะมาระงับ ทุกข์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้อเข้าไปในสมาธิถ้าเราไม่มีโอกาสเข้าสมาธิได้แต่เรารู้จักใช้ปัญญาเราก็ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ใจเราเราก็จะพบว่าพระเจ้าสานว่ามันเกิดจากตัณหาความอยากของเราอย่างในก้าวอย่างในโลกเสียงกลิ่นรสกล้ามตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้อย่างไม่มีอยากไม่เป็นอยางไม่ได้อย่างนั้นอยางไม่ได้อย่างนี้ พอเกิดความอยากอันนี้ใจาาก็อยากเคพียบขึ้นมาทุกขึ้นมาได้แต่พอเราใช้ปัญญามาพิจารณาตอนนี้เราอยากอะไรทุกข้ะ อ, อะไรพอรู้ทุกข้อความอยากนั้นอยากนี้เราก็หยุดมันเสียหยุดในการพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นทุบอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่อกราวอยากได้ตําแหน่งมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดอยากได้เงินได้ดีทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นนะ มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมอยากได้ารากด้วยสารเสริมสุขก็เหมือนกันการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็สามารถนำ ง, งับา ม, มันได้อย่างเราไม่ได้น่าเครียดน่าทุกข์วิธีแก้าขความเครียดความทุกข์ พ, พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็จะทาให้ใจเราทุกข์นี่คือปัญญาย่ารักษาใจเวลาที่เรา ออกไปสํากับเรื่องราวต่างๆอย่างที่คุณหมเจอในสภาเนี่ยต้องใช้ปัญญาให้มากๆปล่อยวางใช้น้าจ้ารของชั่วคราวเราก็มาทําหน้าที่ของเราไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแต่เราจะไม่ไปเครียดเราจะไม่ไปหวังว่ามันจะต้องได้เสมอไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ถือว่าเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วอย่าง น, นี้เราก็จะไม่เครียด ได้ปัญญาจากพระอาจารย์ช่วยคุ้มครองอยู่เยอะนะครับพระอาจารย์ครับบางทีก็เห็นความวุ่นวายแล้วบางทีก็เห็นความสงบและเหตุันความมันต่างกันเยอะเลยครับพระอาจารย์ครับใช่มันต้องสัมผัสกับราภยศสรรเสริญนินทานอยู่ในโลกอยู่ในวงการนี่มันสรรเสริญนินทาเนี่ยมันจะมีมาอยู่เรื่อยๆต้องมีสติให้รู้ทันันก็เป็นโลกธรรม แต่ไปยินดียินได้แล้วเราก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อนใครเขาจะชมก็ก็รับฟังไว้ใครเขาจะด่า ก, ก็รับชมรับฟังไว้ก็แล้วกันข้าวเขาไม่ได้อใจาจะไม่เพียนใจจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่หวังอะไจากใครถ้าเราหวังว่าเราจะทุกข์ถ้าหวังว่าไม่เราไม่ได้ตามใจหวังก็จะผิดหวังก็จะทุกข์คน ไม่สัมผัสโลกกระทำเยอะยครับอาจารย์ครับเยอะเลยครับขอบคุณพระธรมครับขอโอกาสถามคำถามจากท่านอื่นบ้างนะครับทางทางติ๊กตอจะส่ขขงคำถามมาได้แล้วนะครับจากคุณดำครับใจยังหลงไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วและก็กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงควรจะวางใจอย่างไรให้จิตตั้งมัน่นมีพลังได้ครับเราใช้เตยมัน มันเป็ความคิดปรุงแต่งถ้าเรามีสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะหยุดมันได้งั้นการมีสตินี่สําคัญมากพรุทธเจ้าทรงสอนว่าสตินี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเจริญทั้งวันทั้งคืนถ้ามีสติเราสามารถหยุดความคิดต่ตางๆนะั้ควาคิดไปทางอาดีตก็หยุดมันพวคิดไปทางอนาคตก็หยุดมันเรือ ม, มันกลับมาให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่าเราเฉยๆไปฝึก ส, สติให้ ม, มากๆเอาเรื่องด่างเรื่อตาขึ้นมาเลย ความรู้ตาขึ้นมาก็ควบคุมกับคิดในการบริกรรพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธมันก็คิดดรื่งนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีสองคำถามครับจากคุณหนุ่มน้อยครับข้อที่หนึ่งครับคนที่ไปท่องเที่ยวเรียกว่าความชั่อไหมครับไม่เชื่อหรอกแต่มันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของการเสรการตอบสนองการมาตัญหาที่เป็นเอตุที่จะพาให้การเีินไหวตาเกิดไม่มีวันสิ้นสุด ตายไปแล้วความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นนั้ก็ยังมีอยู่มันก็จะผลักดันให้จิตไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ก็ทจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาเสพรูปเสียงกลิ่นนั้มาเที่ยวต่อเองก็ที่สองครับสมัยนี้คุณหมอเก่งแต่ขาดความดีใช่ไหมครับก็พูดสลุปย่งนี้ไม่ได้หมอมันไม่ใช่มีคนเดียวหมอดีก็มีหมอไม่ดีก็มี า็อยู่ที่สินี่ไดการฝึกฝนอบรมได้รับการอบรมทางด้านศิลธรรมหรือไม่บางคนเขาก็ไปได้รับการอบรมเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของศิลธรรมก็ได้อันนี้ก็ไม่อยากจะพูดแบบตรงๆมาเจาะจงนะทุกคนแบบกลาง ร, งรงเหมือนกันทุกคนจะเป็นหมอเป็นพระกม็มีดีมีไม่ดีนลันไปท่านะั้นแหละเพราะอยู่ที่จิตใจอยู่จิตสังอยู่ที่จิตสํำนึก ด, ด้วยว่า รู้สึกรู้จักผิ ด, ด, ด, ดถูกดีช่วหรือไม่ถ้าไม่รู้ถ้ามีความหลงก็อาจจะเห็นว่าการความช่วยเป็นความดีไปก็ได้ทําช่วยแล้วรวยทําช่วยแล้วได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่เราไม่อยากจะลงไปกับความคิดที่ผิดนี้ก็ได้นั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือควรให้อภัยเขาเป็นเมตตาเขาอย่าไปอย่าไปจงเจ็ดจงยันเขาปล่อยก็ไปตามสภาพ้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว ผลของกรรมของเขาจะปรากฏขึ้นมาเองการมีชีวิตอยู่นานๆเช่นเกินเก้าสิบปีมันดีจริงไหมครับทางโลกและทางธรรมอยากจะทราบมานานแล้วครับมันไม่ใช่อยู่ว่านานก็ไม่นานมันอยู่ที่ว่าอยู่แล้วทำอะไรถ้าอยู่แล้วทำคุณทำประโยชน์มันก็ดีแต่ถ้าอยู่แล้วทำโทษสร้างความเสียหายให้กับตนเองและผู้อื่นมันก็ไม่ดี อยู่ที่ว่าอยู่อยู่แบบไหนให้อยู่แบบทําคุณทำประโยชน์ให้ร่างกับตัวเราและทำกับผู้อื่นก็ดีอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนที่จะลาขันปาริณีพานไปได้หมดจงยังประโยชน์ของตนแนะของประโยชน์ของผู้อืน้ถึงข้อมด้วยความไม่ประมาณเถิดพระเจ้ า, าเร่งอยู่ที่ผลประโยชน์เบื้องต้นประโยชน์ของตนก่อนทําให้ตนได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากการปฏิบัติบิดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ก่อนเมื่อหมดพ้นแล้วก็มา สอนผู้อืให้ได้หทุนต่าต่อไปพระพุทธเจ้าทรงสละเวลาสี่ห้าปีหลังจากที่ตัดสโเนี่ยมาทําประโยชน์ให้กับโลกไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับตนเองเลยเราทาประโยชน์ของตอนได้ครบแล้วนะหลังจากที่ได้ตัดสโล ก, ก็ไม่มีอะไรต้องทําอีกต่อไปก็มีเวลาว่างก็ได้เอาเวลาว่างนี้มาทําคุณประโยชน์ให้กับโลกจึงทําให้มีพระวจนะศาสนาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะพระพุทธเจ้า มีกับข้าวหนึ่งถ้วยกับแบ่งออกมาทานแล้วก็ที่อยู่ในถ้วยใส่บาตรได้ไหมครับก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีใครรู้ก็ได้แต่ถ้ามนคนรู้มันก็น่าเกียดเนี่ยว่ามันถือว่าเป็นให้ของเด้งอะไรทําเรานี้เวลาเราทําบุญเราอยากจะให้ของดีๆไม่ว่าจะทําบุญกับใครก็ตามเพราะว่ามันก็มีอนิสงส์ที่จะกลับมาหาเราให้ของดีเขาของดีเราต่อไปเ้าก็จะให้ของดีเรากลับมา ให้ของเร็วกเพราะว่าจะให้ข เ, เขาขเร็วกำลับมามงแล้วก็กดแห่งกำการปฏิเสธอาหารทางสายเมื่อร่างกายไม่สามารถทํางานได้ตามปกติเป็นบาปไหมครับหากได้ฝึกปิดดูกายมาแล้วบ้างครับไม่บาปหรอก่าเราไม่ได้ทําร้ายร่างกายเพียงแต่เราเห็นว่าร่างกายไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ก, ก็ก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามาสภาพของมันไป คุณตีเล็กครับข้อที่หนึ่งครับพึ่งบินเข้ามาในห้องผมเอาถุงป๊อกแป๊กสวมมือแล้วจับพึ่งไปปล่อยนอกห้องแต่เพึ่งตายผมบาปไหมครับก็อ า, อาจจะไม่บาปก็ได้ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะทําให้เขาตายแต่มันก็เป็นถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุพึ่งมันอาจจะโกรธเราก็ได้อาจจะมีเวรมีกรรมกับพึ่งก็ได้แต่บาปไม่มีบาป ท, ที่จะส่งเราไปอาบายนไม่มีแต่เพึ่งเนี้อาจจะจําเวรจองกรรมเราได้ เขาน้าชาหน้าทักพิจับกันเราเป็นเนพื่อนเขาเป็นคนก็าอาจําจับเราเราับเราก็บเขาได้ข้อที่สองครับสติอ่อนสติน้อยจะมีวิธีเพิ่มสติได้อย่างไรครับมันคล้ายมากมากขึ้นเในกับการออกกำลังกายีกําลังน้อยก็เริ่มทําออกกําลังกายให้บ่อยขึ้นมากขึ้ น, นวิ่งให้มากขึ้นเคยวิ่งกิโลนี้นก็วิ่งทั้งสองกิโลสามกิโล มันก็เป็นการพัฒนากําลังของร่างกายใจก็แบบเดียวกันถ้าเราฝึกสติวนะันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมงสมชั่วโมงไปฝึกให้มากยิ่งมากสติก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นไปตามลำดัถ้าเราเคยผิดศีลข้อปรานตาิบาสมานานแต่ปัจจุบันตั้งใจรักษาศีลจะพ้นจากอบายได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทําบุญบ้างหรือเปล่า ถาเราได้ทำบุญแบุญนี้มีมากกับบาปเราก็ยังไม่ต้องไปอบายแต่แต่บาป ท, ที่เราทำไว้มันยังรอให้เรารอส่งเราไปอบายอยู่เวลาที่ใจเรามีบุญน้อยกว่า บ, บาปเมื่อไหร่เวลานั้นบาปก็สามารถส่งใจเราไปอบายได้ อาจารย์ครับแสดงว่าถ้ามีบาปอยู่แล้วเราทําบุญไปเรื่อยๆนี้บางทีก็ยังไม่เห็นผลบาปได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ถ้าบาปมันีมากกว่าบุญเน่ยถ้าบุญมีมากกว่าบาปบาปก็ยังแสดงผลไม่ได้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเกวียนเนี่ยถ้ามีมีควายสองตัวลากเกวียนตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าตัวอยู่ด้านหลังเนี่ยตัวหนึ่งก็ดึงไปทาง้างหลังตัวหนึ่งก็ดึงไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าตัวไหนมีกําลังมากกว่ากันนะครับ ต, ตัวที่มีกําลังมากฝั่งก็กเด้งไปทางด้านของเขาถ้า ตัวที่ดึงไปข้างหลังมันมีกําลังมากกว่าตัวที่ดึงไปข้างหน้ามั้งเวก็ต้องถอยหลังไปให้ต่างของมันบาปบุญก็เหมือนแบบนี้ยเวรก็คือใจของเราเนี่ยใจของเราจะถูกบุญดึงไปสวรรค์หรือถูกบาปดึงไปอาบายัยแล้วแต่ว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าคุณจุดีถามว่าพรุ่งนี้พระอาจารย์จะไปบินธบาตไม่ครับจะไปทําบุญวันเกิดครับ ปกติก็ทําทุกวันนอกจากว่าถ้าเกิดในเหตุสุดท้ายคือไม่สบายอะไรทำนองนั้นแต่ปกติก็ไม่เคยขาดนะการนั่งสมาธิควรจะนั่งนานหรือนั่งบ่อยดีกว่ากันครับนั่งให้สงบจะสงบได้ต้องมีสติยันถ้ามีสติแล้วนั่งว่าสงบแล้วมันก็จะนั่งในฐานโอนเองว่ามันมีความสุขมากไม่อยากจะลุก ถ้าจิตสงบแล้วมันอยากไม่อยากจมูกแต่ถ้าจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านจิตเคลรียดก็นั่งได้ไม่นานนั่นปัจจัยสําคัญในการนั่งสมาธิก็คือการในสติก่อนควบคุมใจให้สงบได้หรือไม่พระสงฆ์ซื้อลอตเตอรี่สมควรไหมครับมไม่ควรคนระัเพราะพระไม่ได้มาหาสตางค์มาบวชเพื่อหาสติกันพระเจ้าสอนให้เจริญสติไม่ให้มันจริญสตา ห้ามไม่ให้พระมีบมีทรัพย์สินเข้าครอบสินได้ั้ำไปแต่ก็ทรงอนุโลมว่าอาจจะมีความจำเป็นบ้างก็ให้ฝากเงินไว้ให้กับคนอื่นไม่ให้เก็บรักษาไว้ด้วยด้วยตนเองไม่ให้ใช้เองขันต้องการอะไรก็ให้คนที่เขาเก็บรักษาเงินนี้ไปจัดการให้ที เพื่อนอยู่ในห้องไอซยูยังไม่ฟื้นห้าวันแล้วพอเห็นเพื่อนแล้วรู้สึกแพนิค ก, กับความตายควรจะวางใจอย่างไรครับก็วางใจว่าเราก็าต้องตายเหมือนเขาเลยดีที่สุดยอมตายแล้วใจก็จะหายกลัวถ้ายังไม่ยอมตายหยุดใจก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆคุณรัชนีครับถามข้อที่หนึ่งครับ นั่งสมาธิไปได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเกิดแสงสว่างวาบมาแป๊บหนึ่งห้องปิดม่านถือว่าเป็นคณิกะสมาธิไหมครับเอย่าไปสนใจเลยว่ามันเป็นอะไรดูตามความเป็นจริงของมันมีแสงก็รู้ว่าแสงได้ก็พอข้อที่สองครับการที่เรานําอาหารไปทําบุญที่วัดแล้วเราฝากคนอื่นถวายกับก่อนพระรับถวายเราอุทิศบุญก่อนพระรับถวายได้ไหมครับ ได้ถ้าเราฝากเข้าไปลราถือว่าเราได้ทําบุญแล้วมีคําสอนของพระอาจารย์แต่ละท่านแตกต่างกันอย่างนี้เราควรจะยึดหลักจากสิ่งใดดีครับเยึดจากการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติะคําสอนของท่านทําให้เกิดผลที่เราต้องการแล้วก็ยึดครับยึดคําสอนนั้นคําสอนนั้นเราปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลเราก็ไม่ต้องไปยึดตามคำสอน การได้ใส่บาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าและได้ทําบุญทําทานกับกิ จ, จกรรมต่างๆของทางวัดต่างๆโดยทําบุญทางออนไลน์มีความเหมือนหรือความต่างกันกับบุญจากการนั่งสมาธิวิปัสสนาอย่างไรครับโยมคุ้นจินกับถนัดกับการทํรรทานุบำรุงทานมากกว่านั่งสมาธิครับมันเป็นคำว่าบุญนี่คือความสุขใจความสุขใจนี่มันมีหลายระดับเหมือนกับโรงแรมมีหลายดาวใช่ไหม แต่ถ้าโรงแรมหนึ่งดาวกับห้าดาวนี้ความสุขมันต่างกันห้าดาวมันมีการบริการที่พร้อมมากกว่าอัในใดบุญที่เกิดจากการทําทานก็เหมือนดาวเดียวโรงแรมดาวเดียวบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็เหมือนสองดาวบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็สามดาวบุญที่เกิดจากเจริญปัญญาก็สี่ดาวเหนึ่งต้นความสุขมากน้อยต่างกันไป แต่ค่าใช้ใจ่ายก็ต้องเพิ่มบ้างขึ้นไปตามอยู่ห้าดาวก็ต้องจ่ายห้าเท่า็โอโรโแรมหนึ่งดาวการจะได้การจะได้ความสูงระดับสี่ดาวก็ต้องปฏิบัติที่ยากกว่าการปฏิบัติแบบทาทา ท, ทานํารทาทานง่ายเรามีเงินแล้วก็ฝ้ากระเป๋าออกมาซื้อของใส่บาหรือบริจาคให้ใครไปก็เสร็จนะแต่จะได้ บุญจากปัญญานี่มันแล้วมันมินห้อยเนีต้องไปบวชต้องไปอดอยากขาดแคลนต้องไปต่อสู้กับปิเลตต่างๆเงยอะแยะไปหมดกว่าจะได้บุญที่เกิดจากปัญญากว่าจะได้ไม่มต็มคนครับเจ้านายใช้ให้เอากาวไปดักหนูอย่างนี้เราบาปไหมครับถ้าเราทําตามก็บาปบาปด้วยกันทั้งคู่พอใช้ก็บาปถ้าหนูตายนะถ้าหนูไม่ตายก็ไม่บาป คุณแคทครับการที่ลูกตั้งใจปฏิบัติตัวเพื่อสู่หนทางโสดาบันได้แต่แบ่งเวลาทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกเพลิดเพลินกับการดูซีรีส์เพื่อความสนุกดูเสร็จแล้วก็จบไม่ไดเอามาคิดอะไรต่อเพราะรู้ว่าเป็นนครแบบนี้พอได้ไหมครับ ย, รย่าเรายังติดทางโลกอยู่เพราะเราก็จะติดร่างกายเพราะเราต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการดูรูกเสียงกนฬาต่างๆอยี่ งั้นเาต้องถื้อสินแต่จะดีกว่าไม่ดูไม่เสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นเราจะได้ไม่ครึ่ง น, น่างกายเมื่อเราไม่ต้องพึ่ง น, น่างกายการที่จะปล่อยน่างกายให้มันตายมันก็จะง่ายกว่าหลานสาวชอบทำ บ, บุญมากเห็นเขาโพสต์ร่วมทําบุญตลอดอย่างนี้จะโดนหลอกได้ไหมครับถึงเมื่จะโดนหลอกเขาก็ได้บุญอยู่ดีแล้วคำแล้วคำ ทวามโดยสุดใจก็ยินดีที่จะทำเพราะเขาเชื่อว่าเป็นการทําบุญแต่คนที่หลอกนัอาจจะได้บาปเมื่อมาหลอกดวงคนอื่นเขาแต่คนที่ทําโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าถูกหลอกนี้ไม่ไม่บาปใดๆบางครั้งเวลาโกรธมักจะระ ง, งับอารมณ์ไม่ได้เรียกว่าสติหลุดไหมครับแล้วจะแก้ยังไงครับก็สร้างสติขึ้นมาเพุโทโธพูโทโธไปเลย ม, มันกระดองขึ้นมา ใจไม่เป็นปกติเป็นแสดงาสติเราไม่ไม่มีแล้วก็ต้องเลือดสร้างสติขึ้นมาบรายกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจวันนี้เดินจงกรมมีความรู้สึกมีอะไรมาจับที่หน้าผากพอใช้มือลูบโดนยุงตายครับไม่ได้ตั้งใจนะครับบาปไหมครับไม่บาปถ้าไม่ตั้งใจถ้านั่งกําหนดลมหายใจแล้ว จิตวิ่งไปมาแต่รู้ว่าวิ่งและดึงกลับมาที่ลมหายใจยอย่างนี้ถือว่ามีตัวรู้แล้วหรือไม่ครับยังเหรอก็ยังเล็งางไปเล็งขึ้นมาอย่อาให้นิ่งเฉยเฉยความคิดหายไปแล้วตัวรูโฆโฆโฆ้ถึงจะโผล่ขึ้นมาอย่างเต็มที่ในระหว่างที่พระสงฆ์เดินบิณฑบาตแต่พูดหยาบคายกับสุนัขที่เข้ามาเล่นกับท่านอย่างนี้พระเป็นบาปด้วยไหมครับ ก็พูดวาจาไม่สมควรเยพระอาจารย์ไปเรื่องาเรียกวาอะไรพระุสวาสนะพระุสว า, าสนะสพูดคำหยาบซึ่งไม่เหมาะกับพูดที่เป็นนักบวชอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระสนับสนุนให้เปิดบ่อนคาสิโนนั้นพระผิดศีลธรรมไหมครับมันไม่ใช่เดชองสงฆ์พระไม่เกี่ยวกับเรื่องการบ้านการบริส่อย่างไรไมีแต่คอยยับยั้มากกว่า ว่าบ่อนการพโนโันนี่มันเป็นอบายยมุกมันจะทําให้คนเสียคนเสียทรัพย์สินดังนั้นพระเจ้าสอนมาให้นะไมนว่าจากการเสพอบายยมุกมีอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งเล่นการพนันสองดื่มสุรายางมาสามเที่ยวกัาคืนสี่ความเกลียดค้านและห้าคบคนที่ชอบอบายยมุมกแบบนี้การกระทาแบบนี้จะนำไปสูก่การกระทำบาปต่อไป เวลาลับบารดแล้วพระให้พรเรานึกถึงหน้าลูกๆลูกๆูกจะได้บุญไหมครับเ ร, เ, รเราต้องเราต้องมาเลือกความใาใจว่าเราต้องการที่จะอุทิบุญนี้ให้กับใครแล้วบุญอุทิศนี้อุทิศได้แต่เฉพาะคนตายนั้นคนเป็นนี่เราก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็ซื้อของไปฝากของก็ได้เขาก็จะได้ความสุข ขอทราบวิธีการทําบุญอุทิศให้ก really ับคนที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วครับก็เนี่แหละไปทําบุญบริจาคเงินให้กับใครก็ได้ให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนกับวันก็ได้ทำบุญนะบุญเกิดขึ้นนะในใจเราเกิดความอิ่มเบิกใจเราก็สามารถแบ่งความอิ่มเบิกใจนี้บางส่วนไปให้กับคนที่นุ่งรับไปแล้วได้ใจเขายังได้อิ่มเบิกตามเราไปด้วย เปิดธรรมะฟังทุกวันแต่ทํางานบ้านคู่กันไปด้วยอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเราฟังไปทํางานไปสลับกันไปการฟังมันไม่ต่อเ น, นื่องมันก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรถ้าเราฟังแบบนั่งเฉยๆแบบตอนนี้ถ้าเรานั่งฟังไปอย่างเดียวใจก็สามารถที่จ ะ, ะซึมซับทุกคําพูดที่เราเํ้ามาพูดกันอยู่ได้แต่ถ้าเราทําไปทํางานอย่างอืงอ่นไปด้วยฟังไปด้วย เวลาที่เราไปดูงานทํางานอยู่ใจเราก็ไม่สามารถที่จะซึมซับสิ่งที่เราได้ยินได้คุณสมพรครับถ้าใจโยมเป็นพระแต่แม้จะอยู่ในเพศคารวะก็เสมือนใจโยมเป็นพระเสมือนเป็นเพศบรรพชิตใช่ไหมครับโยมเข้าใจของจิตใจของความเป็นพระได้ถูกต้องแล้วหรือยังแต่แน่นอนว่าจิตใจความเป็นพระในเพศบรรพชิตจะละเอียดกว่าจิตใจความเป็นพระของเพศคารวะแต่ใจของความเป็นพระ เสมือนเป็นใจเดียวกันตั้งแต่โยมสูญเสียคุณแม่ไปโยมรู้สึกว่าจิตใจของโยมเป็นพระมากขึ้นเสมือนใจของโยมเข้าใจชีวิตมากขึ้นโยมเข้าใจชนิดถูกต้องถูกทำหรือยังครับก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็ใจที่จะเป็นพระได้แล้วใจต้องไม่ทําบาปไม่ใช่ว่าใจเป็นพระแต่ยังกินเหล้าอยู่นี่ยังโกหอยู่นี่แล้วว่าอ้างว่าไม่ใช่ใจไม่ได้เป็นผู้กระทันร่างกายเป็นผู้กระทัน ร่างกายปเป็นเครื่องมือของใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทําอีกทีหนึ่งยนงไงว่าเราจะทำอะไรด้วยร่างกายเราําบากแล้วไปอ้างวันใจเราเป็นพระใจเราไม่คิดจะทําบาปแต่ให้ร่างกายทําแทนเรามันไม่ได้หรอกมันถ้าใจเป็นพระร่างกายก็การกระทําร่างกายทางวาจาก็ต้องเป็นพระไปด้วยไม่ใช่ใจเป็นพระแต่ยังไปเที่ยวดิสโก้ไปเล่นเกมอะไรอย่างนี้อยู่ ม, มันขัดกันอะ ถ้าใจเป็นพระร่างกายก็ต้องเป็นเป็นพระตามเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้กวนหัวของพอระเหลยนั่นเอแต่ใจต้องมีสี่งโดยสุดใจไม่ ท, าทําบาปถึงจะเป็นพระได้เป็นพระอริยะบุคคลนะพระอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นพระนับรัญชิตก็จิตใจก็เหมือนกันเพือจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาด การเข้าวัดทำบุญถือศีลกับการพัฒนาสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะเพราะนะั่นเป็นระดับการช่วยเหลือผู้อื่นี่เป็นระดับทานการภาวนานในระดับระดับศีลระดับศีล ส, สมาธิปัญญาที่สูงกว่าไม่ลงแรงตั้งแต่สองดาวสามดามสี่ดาวขึ้นไปเร <laughs> าทำทานก็ได้ก้าวลงเรงอยู่แรงาดาวเดียว เพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติครับตั้งใจจะรักษาศีล5ห้าแต่ติดตรงศีลข้อแรกเวลาเจอสัตว์มีพิษอย่างงูหรือตะขาบไม่รู้จะทำยังไงพเอเพลอผิดสีลใจก็ส้าหมองจนฝึกสมาธิก็ฝึกไม่ได้ครับถ้าเราไม่ไปทำงายเขาก็ไม่เป็นไรเห็นสีหงที่นี้เป็นพิษ เ, เ, เป็นไทย ล, ล้วก็หลบไปเด็กไปก็ยอยู่กันไปทางฝ่ายตามอยูอก่กันแล้วก็เลยก็รักษาสีหได้ การเดินจงกรมจะต้องมีการจำกัดความสั้นยาวไหมครับเช่นไม่ควรเกิน4เมตรหรือระยะเท่าไหร่ก็ได้ครับคือแล้วแต่สถานการณ์ถ้าเราสามารถกําหนดได้เราก็กําหนดทางซึ่งกรูบาจารยก็สอ า, า ร, ระยะสาาั้นระหว่าง25ก้าวถึง49เป็นระยะทางที่เหมาะกับการเดินจงกรมแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางหรือทําทางได้ หจายถที่ที่สั้นที่กำจัดจับกัดแล้วก็เดินไปตามตามมีตามเกิดไปก็ได้ข้อสำคัญไมันอยู่ที่ระยะทางระยะของําเดินคุณอยู่ที่การมีสตหหิหรือไม่เวลาที่เราเดินเพื่อนเปิดบ่อตกปลาครับให้คนมาตกปลาอย่างนี้เพื่อนเป็นบาปไหมครับเป็นเพราะเราได้ประโยชน์จากการทําให้ผู้อื่นเขาเสียชีวิตนะ การปฏิบัติธรรมเพื่อละขันห้าใช่ไหมครับความจําความรู้สึกจะหายไปไไหรือไม่ครับคือการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อละความความยึดติดในขันห้าขันห้ายังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายอย่างนี้ร่างกายจะตายเราก็ปล่อยให้มันตายเมตนาคือความรู้สึกมันจะทุกข์เราก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปเราจะไม่มีความอยากให้มันไม่ทุกข์เราจะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตาย ป่อยมันตายไปป่อยมันทุกข์เจ็บไปนี่ถ้าเกิดการปฏิบัติแต่หลังจากที่เราปล่อยได้แล้วเราก็ยังใช้มันได้อยู่เหมือนเดิมเราก็ยังใช้ร่างกายได้ตามปกติเราก็ยังใช้เชวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ตามปกติเคยถามพระอาจารย์เรื่องเก็บเงินที่หล่นไม่มีเจ้าของมาเป็นของตัวเองพระอาจารย์บอกว่าไม่ควรเก็บให้ปล่อยไว้อย่างนั้น อยากรู้ว่าในทางธรรมมีเรื่องของราบรอยไหมครับทําไมการเก็บของที่ไม่มีเจ้าของถึงไม่คิดว่าเป็นราบรอยครับเราไม่รู้ได้ไงว่าไม่มีเจ้าของเราอยากจะได้เราก็ไปอ้างว่าไม่มีเจ้าของเงินทองมันต้องมีเจ้าของไม่มีใครไม่มีเจ้าของไม่มีเงินทองที่ไหนไม่มีเจ้าของครเดียวเจ้าของก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาตกล่นไปเท่นั้นเองถ้าเราจะเก็บก็เก็บไปเพื่อไปหาเจ้าของก็คืนให้เขาไปแต่ถ้าเราไม่รู้หาไม่ได้เราจะเราจะทําไง อันนี้ดี้ก็ไปล่อยไว้ตอนที่มันตกดีาวบาเจ้าของขก็รู้ตัวว่าเงินหายไปกาจะกลับมาหาเงินที่เขาเชื่อล่นอยู่ทางไหนก็ได้การระยะนมิตรลืมหมาในรถหมาตายแล้วทำบุญไปให้ทุกวันอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปคือทำให้เขาตายจะไม่มีเจตนาไม่บาปและการที่บุญให้เขาเขาถ้าเขารับรับบุญเขาม่ได้รับบุญ เรียนถามถ้าผลไม้มีหนอนอยู่แต่เราไม่รู้และปาดหนอนขาดครึ่งนะส่วนที่เหลือถ้ายังหนอนที่เหลือเป็นเป็นอยู่ในมะม่วงเราทิ้งมะม่วงไว้โคนไม้เป็นบาปไหมครับเพราะก็ไม่รู้จะทํายังไงกับผลไม้เท่าที่เหลือครับก็ไม่บาปถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปทำไํำร้ายเขาถือว่าเป็นอุบตัติเหตุเหตสุติยไส สวดมนต์ก่อนนอนแล้วนั่งสมาธิได้ไหมครับได้แล้วแต่เราบางคนจะนั่งสมาธิได้ก็ได้บางคนต้องสวดก่อนแล้วค่อยนั่งก็ได้บางคนสวดได้อย่างเดียวแต่นั่งไม่ได้ก็มีก็อยู่กับกำลังสติของแต่ละคนกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอยากได้คําอธิบายละชียแนะจากพระอาจารย์ครับเืก็กายในกายพิจารณาเรื่องของกายเนี่ย อะไรที่มีในกายว่างก็เรื่องอ น, นิจจ์ทุกข์ขังหน้าตาอ น, นิจจ์คือไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายหน้าตาไม่มีตัวตนเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไปไม่สวยงามอสุภะก็อากา 32, รสาสิบสองหรือซากศพนี่อันนี้ก็ อ, องกายในกายเวทนาในเวทนาคือพิจารณาเวทนาที่มีอยู่สามชนิดด้วยกั น, ม น, นไม่สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขเวทนาก็เป็นอ น, นิจจ์ทุกข์ขังหน้าตา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราก็ควบคุมมันเข้าไปไม่ได้จิตก็แบบเดียวกันจิตก็คืออารมณ์ในจิตที่เปลี่ยนไปเลี่ยนมาเยอะบางทีก็จิตก็ก็ผ่องใสบางทีเจ็ตก็เศร้าหมองอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาให้ว่าเป็นตายร้างแล้วก็ปล่อยวางมันไปแคนั้นส่วนธรรมก็คือพิจารณาดูว่าเราไปทำที่จะมาใช้กับการปฏิบัติทำพอหรือยังมีสติพอหรือยังมีสมาธิพอหรือยังมีปัญญาพอหรือยงั ง, ยง ถ้ายังไม่มีก็พยายามเพียนสร้างมันขึ้นมาต่อไปวิธีเจริญเมตตาที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรครับก็ต้องทำคำว่า้เขา้เข า, เขาใจคาว่าเมตตาว่า ม, มีความหมายอยางไรในในบทสวดท่านก็แสดงว่าว่ามีสี่ลักษณะอันรกก็คือไม่ให้จองเวรกันใครก็ทำร้ายเราทำให้เราเสียใจ อย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาในเรือการให้ความเมตตาวิธีที่สองเวลาทําอะไรก็อย่าไปทําให้พูดอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ไปเบียดเบีย น, น, นเขาทําอะไรก็อย่าไปทําให้คนอื่นเขาเสียเสียหายเดือดร้อนวิธีที 3, ่สามก็คือเราอย่าไปทําร้ายน้กาจและจิตใจเขาโดยตรงเวลากโกรธบางทีเราก็ห้ามใจไม่ได้ก็ไปนทุบตีเขาไม่ไปด่าเขาอย่างน้เป็นต้น ไปทำให้เขาเสียใจอย่างได้อย่างหนึ่งนั้นอย่าไปทำร้าร่างกายและจิตใจของผู้อื่นแล้ววิธีที่สี่ก็คือให้ความสุขกับผู้อื่นเมีข้าวของเงินทองพอจะแบ่งปันให้คนที่เขาไม่มีได้เราแบ่งเข้าไปยึ่งถึงแม้เขามีถ้าเราอยากจะผูกมิตรเราก็เอาของไปให้เขาได้ที่วันเกิดเขาเราก็ซื้อของขวัญไปะจให้กับเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการให้ความสุขกับกับเขานี่คือวิธีแผ่เมตตาในอยู่สีลักษณะด้วยกันาเวลาฝนตก ให้อภัยกันไม่จองเวงกันอัปยาปัชชาหุนตุไม่เบียดเบียนกันอา น, นิฆาหุนตุไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจสุขีอัตนาภวิหารันตุให้ความมีสุขให้ความสุขกับผู้นั่งต้องทําด้วยการกระทําไม่ได้ไม่ได้ทําด้วยการสวด น, นะ ต, ต้องมีต้องมีบุคคลที่จะรับสิ่งเหลนี้จากเราไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องพระแล้วก็สวด น, นะคิดว่าให้ความเมตตาอันนี้ไม่ได้ให้ คนเข้าใจผิดกันเยอะคิดว่าพอสวดแล้วทําให้คนทั้งโลกนี้ได้รับความเมตตาอย่าง เ, เราเราเราแผ่ให้ทั้งหมดเลย<อ>บทุกคนจะมีความสุขสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถือว่าเป็นการสร้างบุญไหมครับก็ววเป็นงไงเป็นวิธีสร้างบุญแต่เป็นบุญที่ยากการทําบุญําทานการรักษาศีลถ้ายองทำบุญดาทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ ยากต่อการที่จะไหว่าพระเสริมมันนั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาได้การทําทานโดยการบริจาคปัจจัยสร้างกุติและบางส่วนบริจาคไทยชีวิตโคลอย่างไหนได้อันนี้ส่งมากกว่ากันครับเท่ากันเนี่ยถ้าจํานอนเงินเท่ากันท่าได้เท่ากันอยู่ที่จะ น, นอนเงินว่าเราบริจาคอันไหนมากกว่ากันเราบริจาคสร้างกุติมากกว่าบริจาคงในบริจาคถ่ายโคล เมื่อ ย, ยจากที่เราให้ไปสร้างตัดเด็ก้เราก็จะได้อันนี้สองได้ผลบุญมากกว่าจากคุณหมอรุ่งเรืองนะครับผมเคยรับฟังพระสอนว่าหากจิตสุดท้ายเราดีจะพาเราไปในที่ที่ดีก่อนเช่นสวรรค์ถึงแม้ทาบาปมาตลอดชีวิตแต่จิตสุดท้ายดีก็จะพาเราไปดีก่อนเป็นเรื่องจริงไหมครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องยากถ้าคนทำบาปมาตลอดจิตสุดท้ายจะเป็นจิตที่ดีสุขสงบ เป็นเรื่องทําได้ยากครับจึงมักจะต้องไปที่ที่ไม่ดีก่อนเพราะทําบาปมามากกว่าบุญก็อย่างที่พูดนะมันจิตเลาเนี่มันจะมีการสร้างบุญสร้างบาปอยู่ทุกที่ตลอดเวลามันก็อยู่ว่าช่วงช่วงที่เราตายนั้นบุญกับบาปมันไหนมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าจิตก็จะดีถ้าบาปมากกว่าจิตก็จะไม่ดีเคยได้ยินว่าเราสามารถแบ่งบุญให้กับเทวดาประจําตัวของคนที่เรารัก แบบนี้ทําได้ไหมครับคืออุทิศได้แต่เขาจะไม่รับเพราะว่ามันเขามีบุญมากกว่าบุญที่เราอุทิศเหมือนให้เงินเอาเงินขอทานนี่ไปให้เศรษฐีเนี่ยศรษฐีบอกว่าขอบใจแต่ไม่รู้จะไปทําอะไ ร, ร บ, บุญอุทิศนี่เป็นเงินที่เราให้ขอทานให้ได้ไม่มากนิดหน่อยแล้วเทวดานี่ก็เป็นเศรษฐีบุญก็มีบุญเยอะกว่าขอทานเยอะแต่ด้ให้ขอทานขอทานก็ยินดีเพราะขอทานไม่มีบุญเลย ที่เราเทิดบีญให้พวกขอทานทางจิตวิญญาครับที่เราเรียกว่าเปรตนี่นี่ถ้าเป็นเทวดาเขาอาจจะรับอนุโมทนาขอบคุณด้วยใีความปรารถนาดีกับเขาแต่เขาไม่รู้จะเอาเงินที่ให้ขาทานนี้มาให้เขาไปใช้อะไรมันไ ม, ไม่ไม่ได้ทาให้เขาเกิดความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแต่อย่างไรพระออกกําลังกายยกเวทเหมาะไหมครับ ก็แล้วแต่ถ้าทําในที่ที่รับที่ไม่ไปเป็นที่เปิดเผยเนี่ยถ้าเราอยากจะออกกาลังกายด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เราแต่ส่วนใหญ่ทํางภาคปฏิบัติเราจะใช้ออกกาําลังการด้วยการปฏิ บ, บัติเดินโยกลมมากกว่าหรือถ้าเราจําเป็นก็มีการุดัดเส้นดัดสายได้ทําโยคะได้การที่จะยกน้ําหนักไม่ทราบว่าจะยกไปหาอะไร <c oughs> ถรายกน้ําหนักก็ไปยกน้ําดีกว่าไปยกน้ำไป วัดฝานี่เขาจะไม่มีเครื่ อ, องมือความเฉลงวงเวลาจะอาบน้ำํำในตอนเย็นๆเขาต้องไปสูบน้ำจากบ่อแล้วก็ใส่ถังแล้วก็เอาไปใส่รถแลไปใส่ตามห้องน้ำต่างๆถ้าอยากจะออกกำลังกายก็ออกแบบนั้นทําให้มันได้ประโยชน์ด้วยเอยี่ยทำเพียงแต่ได้ไม่ได้ประโยชน์เพียงแต่ได้ประโยชน์แต่ร่างกายแต่ไม่ได้ประโยชน์อย่างอื่นควรจะทําให้มันเกิดประโยชน์ อางหนึ่พร้อมกันไปด้วยถ้าอยากออกกลังกายเช่นเดินบินดาบานี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งได้อาหารได้ออกกาลังกายไปเดินจโยก็ได้ประโยชน์ได้สติครับผู้ที่ปฏิบัติธรรมสามารถใช้การเจริญสติเพื่อบรรเทาอาการป่วยได้ไหมครับอาการป่วยนี่มันบรรเทาไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของร่างกายเราจะใช้ยาใช้หมอนั่นเนี่อาจจะช่วยได้แต่บรรเทาอาการทุกข์ทางใจได้ กำจัดความทุกทางใจให้หมดสิ้นไปได้ใจยังไม่ถูกข์เลยถ้ามีถ้ามีการปฏิบัติทางขั้นสมาธิขั้นปัญญาได้เข้าพวังจะมีสภาวะแบบไหนครับเราจะรู้ไหมว่าเข้าพวังครับรู้จะสงบนิ่งสบายเย็นสบายเหมือนกับ เ, เหมือนกับการที่เราอยู่ข้างนอกที่มันร้อนแล้วเข้าไปในห้องที่มันเย็นมันจะเห็นความแตกต่างของใจที่ร้อน พอใจสงบใจ ก, ก็เย็นขึ้นมาใจนิ่งสงบสบายขึ้นมาแล้วมันจะติดใจเพราะว่ารู้อย่างนี้นั่งสมาธิมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รู้ว่มันสุขอย่างนี้มันสบายอย่างนี้ถมีเศรษฐีกคนหนึ่งท่านในพุทธกาลทั้นก็เล่าว่าตอนเป็นเศรษฐีนี่ใจก็เครียดใจก็ทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทอพอมาบวช ม, มันเป็นจิตอาวนาพอใจสงบก็เกิดความสุขขึ้นมา จนไม่สามารถกัน้นความรู้สึกได้เดินไปไหนมาไหนก็อุทานสุขนอสุขนอป้าเลก็คิดว่าท่านเสียสติก็เลยไปรายงานให้ผู้เจ้าทราบผู้เจ้าอะไรเรียกว่าสอบถามว่าเธอเป็นไงถึงไม่มีสติได้ไงเธอก็ไปเสียผมไม่ีสติรู้ตัว ต, ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าตั้งแต่ผมมาบวช้วทใใําใจสงบได้เนี่ผมไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเลยเป็นสติีมีเงินทางเป็นร้อยล้าก็ไม่มีความสุขแบบนี้ แล่ไ้อดที่จะอุทานออกมาไม่ได้อ๋อสมโนสมโครับคนไข้ระยะสุดท้ายให้หมอใช้ยาโมฟีนผสมยานอนหลับให้คนไข้ไม่ทรมานจนเสียชีวิตเหมือนเป็นการฆ่าไหมครับแล้วอย่างนี้บาปไหมครับบาปถ้ามีเจตนาให้เขาเสียชีวิตก็บาปแต่ถ้าต้องการบรรทาการเจ็บปวด น, นี่ก็ไม่บาปต้องมีการรักษา อาจจะผิดพลาดอาจจะให้มากเกินไปแต่ไ ม, ม่ต้องมีเจตนาถ้ามีเจตนาก็บาปถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ว่าแต่อันี้หมอต้องรู้ว่าคนจะให้มากน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับมีโดสอยู่ครับแพทย์ <c oughs> คุณสววรีครับลูกภาวนาด้วยอาณาปานสติพักหลังกล้ามเนื้อหัวใจของลูกคลายตัวผิดปกติ บางครั้งดูลมเข้าแต่ลมไม่เข้าลูกปกใจทุกครั้งเวลาลมไม่เข้าลูกจะกำหนดอย่างไรเวลาเกิดสภาวะครับลูกเฉยๆเลยเราอย่าไปควบคุมมังคับลมปล่อยให้ลมหายใจของเราจะเข้าไม่เข้าว่ารู้ตา่างาไม่ินไปเพนไม่ใจสับแต่ว่ารู้ไปอย่าไปมีปฏิบัริยากับอาการที่เกิดขึ้น การนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วเราพิจารณาต่อไปเหตุการณ์ที่เราได้รับโดยยึดกดพระไตรลักษณ์อย่างนี้ถูกไหมครับไม่ถูกหรอกในนั่งสมาธิเราไม่ต้องการพิจารณาและจิตสงบแล้วเราต้องการรักษาความสงบนี้ให้อยู่ไปนานๆเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่เขางมือถือว่าเราชาร์จแบตแล้วเราไม่ไม่ต้องการจะใช้ใช้งานมันเพราะถ้ใช้งานมั น, น, น, นแบตบมันก็จะไม่เต็มเนี่เราต้องการชาร์จเบ็ด้า ใช้ความสุขความอิ่มใจสุขใจให้มันเต็มอยู่ในใจเราก็ไม่ต้องตอนนั้นไม่ต้องพิจารณาเลยให้อยู่เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปถ้าอยากจะพิจารณารอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทำสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับเมื่อพิจารณาแล้วว่าจิตฟุ้งมีวิธีแก้อย่างไงครับใช้พุโทโธใช้กําเริด ก, ก็ได้สวดมนต์ก็ได้หรือนั่งสมาธิก็ได้ถ่านั่งได้ เราใจหข้อสองครับรบกวนพระอาจารย์และวิธีฝึกเจริญสติระหว่างทํางานและขับรถด้วยครับก็ให้รู้ว่าเรากำลังทําอะไรให้อยู่กับงานที่เราทําอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องนัน้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทํางานอยู่เรื่องเดียวก็เหมือนกันขับรถก็เหมือนกันให้อยู่กับการขับรถอย่าไปคิดเรื่องื่ วิธีแยกขันเริ่มต้นยังไงครับก็เริ่มต้นจากการนั่งสมาธิถ้าเราสมาธิเราพยายามแยกจิตกับร่างกายออกจากกันได้แเราจะเห็นเวลาจิตสงบร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกแล้วหลังจากนั้นเวลาจิตกลับมาออกจากสมาธิมารวมกับร่างกายเราควรใช้ใช้ใช้ปัญญาคอยตอเตือนใจว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกาย เป็นผู้รับใช้ใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนสอคนมาทำงานร่วมกันจาจเรยนถามพระอาจารย์ครับแมวตายเพราะมุดเข้าบ้านแต่เชือกกระดิ่งติดคอไปติดกับไม้แขวนเสื้อจนใจขาดตายโยมรู้สึกหดหูใจอยากจะออกจากจิตหดหูต้องทำอย่างไรครับ ก็เป็นเรื่องส่วิสยัยไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องบุญกรรมของเขาแล้วก็พิจารณาว่าเป็นการกระทําของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราไปย่างไงถ้ายังอดทนอยู่ก็ทําฝึกสมาธิทําใจให้เง่้ยงเง้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่แมวตายพุทโธพุทโธไปออกจากภวังกับออกจากการดับคล้ายกันไหมครับไม่เจ้างการดับไปเลย ข้ามไปนะครับอาจารย์ครับอืมชาตินี้เราได้ชดใช้กรรมที่เราทําทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจแล้วถ้าตายไปแล้วเราต้องไปรับผลกรรมอีกหรือไม่ครับถ้าเราเพิ่ม ท, ทําทําถ้าเพิ่มทำกรรมอีกแล้วก็มิท่านยังมีกรรมเพิ่มแล้วก็ต้องไปใช้ต่อแล้วเราไม่ทํากรรมแล้วก็ไม่มก็ไม่ต้องใช้ก็อยู่ที่ว่าเราทำใช้ใั้หมดไม่ยังทั้งหมดแล้วก็เหมือนคนติดกุ๊กอะ ถ้าหมดหมดแล้วมันก็ไม่ต้องติดคุกเขาปล่อยออกมาจากคุกได้แต่ถ้ายังไปทาําแบบปไปทําผิดกฎหมายต่อยเขากลับมาจับมาคังต่อยครับความทุกข์หมดไปตัวหนึ่งก็มีมาจ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วยังมีต่อแถวอีกทํายังไงทุกข์ก็ไม่หมดครับเพราะเราไม่ไปกําจัดเหตุที่ทํำให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเหตุของทุกข์ก็คือความอยากสามระการ ความอยากเสกเรื่องเสียงกินแล้วความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วต้องกำจัดฐานตัวนี้ให้ได้ทั้งหมดแล้วก็จะไม่ในทุกต่อไปเป็นไปได้ไหมครับที่คนจะบรรลุธรรมโดยที่ไม่ปฏิบัติเข้มข้นแต่เหมือนเมื่อถึงจังหวะบุญบารมีถึงทําให้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายครับไม่รู้เหมือนกันลองทําดูคสิ <laughs> วิจยะธรรมและวิสัชนาธรรมแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับไม่ใช่วิจยกรรมอะไรไม่ใช่วิสัชนาคือว่าการถามตอบปุจชาวิสัชปุชาวิสัชนาปุจชาในการถามวิสัชนาในการตอบผมไม่ได้ที่เราณะที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยปุจชาวิสัชนาถำมาต่อบไปครับ เหมือนธรรมวิจยะในโพชงค์ไหครับอาจารย์เอก็แล้วแต่างนี้เราไม่ทราบความหมายของที่เขียนมามันไม่เกี่ยวกับวิสัชนาส่วนใหญ่วิสัชนามันจะคู่กับปุจฉาอืครับปุจฉาวิสัชนาถ้าวิปัสสนาก็เกี่ยวกับสมถะมันมันคู่คู่ของกันมาแต่วิจยะนี่ไม่ทราบมันอย่างไรธรรมวิจยะการวิจารณาธรรม ข้อที่หนึ่งครับจิตเศร้าหมองเพราะผิดศีลห้าจนฝึกสมาธิไม่ได้ต้องรอจนจิตหายเศร้าหมองแล้วค่อยฝึกสมาธิหรือมีวิธีอื่นไหมครับก็พยายามฝืนทำไปมันจะเศร้าหมองก็พยายามนั่งไปดูรวมไปพุทโธไปถ้าเราไม่รู้แมันจะหายเศร้าหมองถ้าเราฝึกสติไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวถ้าสตินิกาลังมากเดี๋ยวมันก็เลเรื่องเรื่องที่ทําให้เราเศร้าหมองได้การเศร้าหมองก็จะหายไปได้ เนื้อไม่ต้องรอให้จิตหายเศร้าหมองก่อนแล้วเข้ามาฝึกสมาธิถ้ามันยังเศร้าหมองอยู่ก็สู้มันไป ด, ด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปสวนมันไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราเศร้าหมองเดีคว า, ามเศร้าหมองก็จะหายไปข้อที่สองครับ <c oughs> เวลาเจอสัตว์มีพิษเช่นงูหรือตะขาตต้องรับมือกับสัตว์พวกนี้อย่างไรครับไม่ให้ปิดฝีกเขอแรกครับก็หลบได้ก็หลบเลยได้ก็เลยเข้ากล้มัน แล้เราไม่ได้เห็นไม่ได้ก็ยืนเฉยๆแล้วก็ปองไปภาวนาพุทโธพุทโธไปมีหลวงปู่บรรลุธรรมเลยใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์บรรลุธรรมได้ครับลงเฟซว่าคุณพ่อคุณแม่เสียว่าคุณพ่อคุณแม่เสียเหายหายอย่างนี้ลูกได้รับผลกรรมเช่นไรครับ ก็ปากไม่ดีไงนี้ก็จะต่อไปก็มีลูกก็จะถูกลูกด่ดาเราเมันกันมาด่าพ่อด่าแม่ต่อไปแล้วก็จะถู ก, ก, กลูกเรามาด่าเราเขก็เห็นตัวอย่างของเราเนี่ยคนนี้ด่าพ่อด่าแม่ได้เราก็ดา่าเราก็ต้องด่าพ่อด่าแม่ได้เป็นคนที่ชอบคิดฟุ้งซ่านรู้สึกตัวก็จะสวดคาถามหาจาักรพรรดิจะใช้วิธีนี้ในการขจัดความฟุ้งซ่านได้ไหมครับ ต้องทำดูสิย่าที่ว่าทำได้มากทำได้น้อยทำไปยังกงก็ความคุ้งซ่านจะหายไปถ้ายังไม่หายก็ลองทำต่อไปมันกินยาแก้ปวดกินยาเม้นหนึ่งว่ายังไม่หายก็กินอีกเม็ดหนึ่งกินไปเรื่อยๆจะว่าอาการปวดจะหายไปแล้วพอหยุดกิน วันพระตอนเช้าใส่บาตพระสงฆ์ตอนบ่ายฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทางออนไลน์โดยไม่ได้ไปฟังธรรมที่วัดโดยตรงด้วยเพราะมีภารกิจต้องทํางานกันตั้งแต่เช้าการฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จากสื่อออนไลน์ในวันพระอย่างนี้นับเป็นการฟังธรรมในวันพระวันธรรมะสวรรคได้เหมือนกันหรือไม่ครับเหมือนกันตังวันไหนก็ได้ไม่ต้องวันพระก็ได้ฟังธรรมนี่ได้ ต, อ ต, อตลอดเวลาแล้วแต่ว่าเราไม่เวลาฟังหรือไม่ การเลนะธรรมะสภาวธรรมการทำธรรมตามโอกาสมีโอกาสฟังเมือม่อไหร่ฟังเมื่อไหร่ก็ฟัไงได้ส่วนใหญ่ก็ต้องมาเลวันที่เราไม่ต้องไปทํางานไม่เปภารกิจอย่างไรเราถึงจะมีเวลาเราทำธรรมได้ถ้าฝากเพื่อนใส่บาตรเราต้องกวดน้ํำไหมครับจะกวดไม่กวดนี้่น้าแต่เราถ้าเราอยากจะกวทิศเราก็ต้องกวดแต่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ใช้ใช้ น, ใน้ําใจเราลึกภายในใจ ก็เราเรียกว่าเขาทิดส่วนบุนนี้ให้กับผู้นั้นคนี้ไปก็ถือว่าได้กวดนงามนะการที่เราใส่บาตรทุกเช้าแล้วส่งบุญให้ลูกๆห ล, ล, ลานเขาจะได้รับบุญที่เราทําด้วยไหมครับถ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเขาตายไปแล้วส่งให้เขาก็ถ้าก็รอรับเย็่เขาก็จะได้แต่ได้น้อยมากได้เสี้ยวหนึ่งของบุญที่เราทําเท่านั้นเอง พ่อกำลังป่วยติดเตียงแต่พ่อไม่ฟังธรรมะจะมีวิธีให้พ่อทำอะไรได้บ้างครับให้พ่อไม่ต้องเศร้าและหดหูใจครับไม่ถามพ่อเลยพ่อต้องการจะทำยังไงถ้าเชื่อว่าการทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่วดังนั้นเมื่อการกระทำใดให้ผลไม่ดีผลชั่วจะเรียกว่าเป็นบาปได้หรือไม่ครับมัน เกิดการกระทําบาปีนหมายถึงกระทำไปแล้วทําให้เกิดความเสียหายให้กับผู้อื่นนั่นก็เป็นการกระทําบาปเช่นเป็นฆ่าเขาอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็ น, เ ป, นเป็นการกระทําบาปเพราะเกิดความเสียหายกับผู้ที่เราไปกระทําด้วยแล้วคนเสียหายก็จะกลับมาหาเราเราก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางก็ได้ถ้าไม่ติดคุกติดตารางตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในบายต่อนี่แค่เพียง คำนิยากของคำว่าการทำบุญหรือทำบาปทำบาปก็คือการกระทำให้พวดก็เสียหายเดือดร้อนทำบุญก็คือทำให้ปวดก็ได้รับประโยชน์สุดยู่ที่ตรงนี้อยู่ใกล้ใครก็มีปัญหากับคนนั้นผมพยายามตัดความสัมพันธ์ที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งหมดอย่างนี้ถูกไหมครับก็แล้วแต่เราถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็มีปัญหาเราใคร ถ้าอยู่กัคนนั้นคนนี้มันก็ต้องมีปัญหาหรืถ้าไม่มีปัญหาเราก็รู้จักรู้จักปรับตัวเราเองไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาเลิกกับแฟนแล้วไม่ได้คุยกันเลยแต่แฟนมีบัญชีเราแ ล, และโอนเงินมาให้ตลอดโดยที่เราไม่ได้ร้องขอและเราไม่ได้คุยเพื่อขอเพื่อขอบคุณถ้าเราใช้เงินเขามันจะมีเหตุผูกกันอีกไหม ตอนจบ erm. บอกไว้ว่าไม่ต้องการเจอกันอีกทุกชาติครับก็บอกได้แต่มันจะเจอไม่เจอก็อยู่ที่เขาท่าก็ยังตามเราอยู่ก็ช้ำเจอกันอยู่แล้วนะคุณพ่อเสียครับโดยการนอนหลับไปเฉยๆอย่างนี้คุณพ่อจะไปที่ไหนครับก็อยู่ที่บุญที่บาปตอนที่เขาตายบุญกรบบาปอันใดในมากกั้นคุณมากก็ไปสวรรค์บาปมากก็ไปนรก มากกนั้เผลอเดินไปเหยียบหอยทากทั้งๆที่รู้ว่าเขาอยู่บริเวณนั้นด้วยความไม่ตั้งใจเพราะเหมื่อยลอยขาสติไม่ได้มองด oh, ูพื้นในขณะที่เดินผ่านมาจุดนี้อีกครั้งแบบนี้บาปไหมครับแล้วจะวางใจอย่างไรไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายเขาครับไม่บาปแต่อาจจะมีวิบากตามมาได้คือก็อาจจะจอมเงินจอมกรรมนะเขาอยู่ดีๆมาเหยียบเ้าทําไม การที่เราฟังทำไม่รู้เรื่องเลยนี่เพราะอะไรครับอาจารย์เพราะไม่มีสติหนึ่งและสองไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่สามารถแากแยะสิ่งที่เพูดได้เขพูดถึงมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างก็มีทั้งสองอย่างไม่ไม่มีสติคือฟังแล้วใจไม่ได้อยู่กับการฟังใจลอยไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ถึงอไมจะมีปัญญาแยกยะก็จะไม่ก็จะไม่รู้เรื่องอยู่ดีหรือว่าถ้าฟังมีสติฟังจดจ่อ ไม่ไปคิดเรงนี่ น, นี้แต่ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเราไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะไม่ไม่พิจารณาตามเหตุตามผลที่ผู้แสดงแสดงให้ได้การให้เงินพระสงค์ถือว่าเป็นบาปไหมครับทําให้พระโลภและเกิดกิเลสครับไม่เรากงั้ก็ไม่ต้องให้เงินเงินเงินเขก็ให้กันไปแปลว่าให้ไปแล้วให้เอาไปทําประโยชน์ท่านเอง ไม่ให้เอาไปทําสิ่งที่เป็นโทษกับตอนไหนนกผู้อื่นพระของย่อยยาที่ได้เงินมาแล้วเอาไปทําประโยชน์ก็มีสร้างโรงพยาบาลก็มีสร้างโรงเรียนก็มีเพราเงินจากที่ยอดโยมถวายให้กับพระสมนี้เจ้เอาเงินมาจากที่ไหนมันอยู่ที่พระผู้ที่รับไปว่ารู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับตอนไหนนะผู้นเท่น ทำอาหารที่แม่ชอบทานไปทำบุญทุกวันพระส่งบุญกุศลไปให้แม่ครับแม่จะได้รับไหมครับถ้าแม่นอนรับจากเรได้แต่ไม่ได้รับอาหารนะได้รับบุญตัวรู้หรือผู้รู้ต่างหรือเหมือนกันกับจิตอย่างไรครับก็ตัวเดียวกันนะจิตแล้วแม่ผู้รูส้สวดมนก่อนนอนใช้บทไหนได้บ้างครับ ได้ทุกบทต้องการจะใช้บทไหนก็สวดได้ตามสบายถ้าเราใช้เงินแก้ปัญหาแบบใจจ่ายไปจบจบทุกฝ่ายก็ดีใจแก้ปัญหาได้หมดไม่ก่อเวรก่อกันดีใจกันเพราะทุกคนทุกคนก็เห็นเงินสําคัญที่สุดแต่เขายังไปก่อกวนทําปัญหาต่อพอมีปัญหาก็ใช้เงินแก้เหมือนเดิมแบบนี้ได้บุญหรือเป็นบาปครับ คือเราได้บุญเนี่ยแต่เขาที่ไปก่อกวนมราก็ได้บาปนคนทําดีก็ได้บุญคนทําชั่วก็ได้บาปตอนนี้ทุกใจมากเลยครับสามีเพิ่งจะเสียชีวิตไปครับเพรเราไม่เคยคิดไม่ล้องหน้าก่อนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าวันหนึงมันจะต้องมีการท้าทจากกันเป็นธรรมดาเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจพอเกิดเกิดหตุการณ์เพื่อทำใจไม่ได้ แต่ถ้าเราซ้อมมาอยเรื่อยๆเชื่อยู่เรื่อยๆอย่างที่พระเจ้าทงสอนให้เรา เ, เราอยูเรื่อยๆเมื่อเรามีการท่าท่าจากการเป็นธรรมดาลงพ้นจากการท่าท่าจากกา ร, การเป็นได้เราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกับ ร, รู้ว่าผู้่งนี้ฝนจะตกว่าเราจะทําไงเราก็เตรียมมั่งเตรียมอะไรไว้พอฝนตกเรา ก, ก็ไม่เดือดร้ๆๆนานเพราะเรามีรั่มกางในธรรมะนี้ก็เป็นเหมือนมั่งที่จะป้องกันความทุกข์ที่จะใสศาสใจเราเวลาที่เราเกิดความสูญเสียบุคคลที่เราเเราับไป มันคิดอยู่บ่อ ย, อยเป็นการเจริญปัญญาเราสามารถอุทิศบุญย้อนหลังได้ไหมครับเช่นถวายสังฆทานเมื่อวานและอุทิศวันนี้ครับถ้ายังไม่ได้ก็เช่นก็ได้จะใช้ชีวิตให้สมดุลระหว่างอยู่กับทุกข์กับสุขได้อย่างไรครับก็ยินดีนตามมีตามเกิดสุขก็ได้ทุขกข์ก็ได้อย่าไปเรื่องน่าสุทอย่างเดียว หน้าสอย่างเดียวเราเจอทุ ก, ก็จะรับไม่ได้ไม่จะทุกมันต้องรู้ว่าโลกเรานี้มีความสุขควาทุกข์สลับกันไปสลับกันมาก็ให้รับได้ทั้งสองอย่างคุณจีระครับบอกว่าคําตอบของพระอาจารย์คือแสงสว่างช่วยนําทางให้ได้รู้ได้เกิดปัญญามากขึ้นเป็นบุญที่ได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์สุชาติมีคุณค่าได้รับประโยชน์ยิ่งจะขอน้อมนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ยินดีด ว่าเราก็ได้ทำความดีทำความดกับท่านทั้งหลายไม่ได้ไม่ได้พูดกับกำแพงบทสวดมนต์ที่ขึ้นต้นด้วยวิรูปกเขไล่สัตว์มีพิษได้ไหมครับหรือว่าเป็นเพียงแค่การแผ่เมตตาครับเป็นการแผ่เมตตาให้เราอย่าไปทำลายกัน เคยได้ยินพระป่วยให้เร่งภาวนาภาวนารักษาโรคได้จริงไหมครับโรค ก, กายรักษาไม่ได้แต่โรคใจรักษาได้ปังเที่ยบคามทุกขนี้ทำให้หายได้ด้วยการภาวนาขอพระอาจารย์ถึงวิธีตัดรักตัดหลงครับใด้เพิ้งความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราละเระวันหนึ่งเรต้องในการสูญเสียในการสิ้นสุดในการทัดทากจากกัน คิดอยเรื่อยๆกำันก็จะตััน ไ, ได้ถ้าภาวนาจนคำว่าจนคำพูดภาวนาพุโทโธหายร่างกายหายจะต้องทำยังไงต่อครับก็ให้นั่งเฉยๆถ้ามันไม่มีอะไรก็ให้นั่งเฉยๆไปให้นุ่งเฉยๆไปลูกชายเสียชีวิตไปเก้าเดือนแล้วครับ แม่ยังร้องไห้ทุกวันทําให้ดวงวิญญาณของลูกเป็นทุกข์ไหมครับไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันทุกวันนี้มีคนติดยาเสพติดเยอะมากๆสังคมเจริญทางวัตถุสุดขีดแต่สังคมก็ป่วยเต็มไปด้วยคนติดยาเสพติดมีไม่น้อยส่วนตัวโยมเองก็มีความเชื่ออยู่เสมอว่าคนทุกคนอยากเป็นคนดีโดยกำเนิดและหรือทุกคนเป็นคนดีเป็นทุนเดิมแต่มีเหตุปัจจัยมาทาให้เป็นคนนั้นติดยาเสพติด อาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมครอบครัวที่มีปัญหาจึงทําให้ต้องไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดเป็นต้นเราจะช่วยเหลือสังคมที่มีคนป่วยอันเกิดจากการติดยาเสพติดอย่างไรดีครับเห็นคนสติบิดเบี้ยวไปอันเกิดจากจิตหลอนอันเกิดจากยาเสพติดแล้วสงสารคนเหล่านั้นมากๆครับก็สนับสนุนองค์กรที่ก็ทําทําเรื่องเรื่องการบํำบัดยาเสพติดและสนับสนุนองค์กรที่สั่งอนเด็กให้รู้จักผิดถูกอย่าเชื่อ เี่นสำเนียงภาษากราดทางก็สร้างโรงเรียนพูดขึ้นมานักเด็กในโรงเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 มาอบรมสั่งสอนให้เขาให้เารู้จักคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของคนดีคือมีความกระตัอยู่กระตเวทีมีสัมมาคารวะมีศีลมีศักด์เป็นต้นนักเด็กพวกี้รัการสั่งสอนแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็าจจะได้ปร uga, David, ับปรุงตัวเข้าอย่างไ แต่ถ้าไม่มีใครสอนก็าเลยเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วถ้าถุกคนที่สอนให้ไปทําให้ดีเข า, าก็จะเข า, าก็จะไปถทกตามคนที่สอนมีคนช่วยให้ไปเสพยาเขากอาจจะไปเสพยาได้เนี่ยเราต้องช่วยกันเสริมสร้างองค์กรต่างๆที่จะเอามาสัมสอนหรือเอามาช่วยเหลือผู้ที่เขาพลาดไปแล้วเนี่ยไปติยาเสจติด เขาต้มีที่บำบัดให้เขาอะไรทำเรานี้เป็นต้นเราเป็นคนชอบทำบุญแต่สามีไม่เคยทำเลยครับเขาเป็นคู่กรรมคู่เวรของเราไหมครับเพราะเราต้องดูแลช่วยเหลือเขาครับเป็นคู่กรรมนะคู่กรรม เวลาทำสมาธิพอจิตพอสงบนิดนึงมันดึงไปพิจารณากายดูอาการสามสิบสองแป๊บแป๊มันก็ฟุ้งซ่านครับหรูควดกลับมาดูลมหายใจหรือตามไปพิจารณาทางกายครับมันฟุ้งซ่านแล้วไม่ดึงตรงไหนคะรับกับมันยู่ที่นอนเนี่ยนอมันทําให้เราสงบไม่ใช่นะเคยได้ยินว่านิพานไม่ยึดติดทั้งดีและชั่วแต่ให้ทําดีเพื่อจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเวลาตายจะได้ไปดีอย่างนี้ถูกไหมครับ อันนี้ผ่านแล้วจิตหลุดพ้นแล้วจะทำดีก็ได้ไม่ทำดีก็ได้แต่ละจิตยังไม่หุดพ้นต้องทาความดีให้มากๆมีแมวจรตัวน้อยเข้ามาในบริเวณบ้านมีกองปุ๋ยที่เราเหตุทำปุ๋ยแล้วเราเอาเศษเอาไปโยกที่กองปุ๋ยแมวมากินพี่สาวก็ว่าเราเราเลยแอบเอาอาหารให้แมวกินพี่สาวก็บน่นเราจะทำยังไงดีครับ ไม่รู้กหมันถ้ามีมปัญหาก็อยากไปทำอะไรก็แล้วกันปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรมของมันไปปล่อยวางเวลาเราเจ็บป่วยมากๆจะวางใจอย่างไรให้ลืมความเจ็บได้ครับพุโทโธพุโทโธก็ไม่อยู่ครับเออลืมไม่ได้หรอกต้องยอมรับความเจ็บต้องยินดีกับความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่ทำให้เราทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยินดีกับความเจ็บ ขัเนเญติเราเวลาที่เราได้สิ่งที่เรายินดีเราจะมีความสุขเราได้สิ่งที่เราไม่ยินดีเราจะมีความทุกข์เราต้องปรับปรับใจของเราจากการไม่ยินดีให้มันยินดีให้ได้ถ้ายินดีกับความเจ็บไายได้ป่วยแล้วเราก็จะมีความสุขเราได้สิ่งที่เรายินดีครับถ้าเราบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็ตามแต่แบบนี้จะเรียกเหมือนว่าสะกดจิตให้อยู่กับคําบริกรรมหรือเปล่าครับ ไม่หนอนเป็การหยุดความคิดอยู่ความคิดขอดงใจหนะนกาเรายังมีสติอยู่เหมือนเดิมไม่มีใารมาสะกดจิตเราได้การที่เราเจอใครสักคนแล้วถูกชะตาคุยกันไปในแนวทางที่ดีอย่างนี้เรียกว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันไหมครับราในของในโลกนี้มันมีอยู่สามอย่างนะคับคือเห็นแล้วชอบเห็นแล้วไม่ชอบ เราเห็นว่นกากลางๆมันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันทีเราก็ไปเห็นสิ่งี่เราชอบบางทีเราก็ไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบบันทีก็เจอของที่มันเป็นรรกลางๆจะชอบก็ไม่ใช่จะไม่ชอบก็ไม่เชิงมันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของโลกนี้ผมเคยได้ยินคําว่าสิ้นสุดแห่งสัญญาเป็นเทศนาของพ่อแม่อาจารย์สายหลวงปู่มัน่น ขอพระอาจารย์ชี้แนะความหมายสิ้นสุดแห่งสัญญาเพื่อไขความกระจ่างให้ครับตอนนี้เป็นชาญสมาบัติสัญญาเวทิตะนิโรธสมาบัติเนี้ยเเท่านั้นฐานทั้งหมดหยุดทำงานทั้งหมดเลยาประพันสัญญาวิทนาวิทยานาสัญญาจัาร ย, ยานยาหยุดเชื่อครลิเป็นสมาธิขั้นสูงสุดนะั้น ตอนนี้ได้ทำงานกับบริษัทที่เจ้านายใฝ่ทางธรรมมากๆวันๆทำแต่บุญได้สร้างประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาและสังคมตอนนี้กระจายไปสู่ชาวต่างชาติที่เขามาไทยแล้วอยากให้ประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2เวลาเขาเกิดภัยพิบัติและโครงการต่างๆมากมายที่เกิดประโยชน์ต่อโลกนี้แต่ว่าได้รับเงินเดือนน้อยมากๆแทบไม่ได้ส่งให้พ่อแม่เลยได้ทำบุญหรือไปจากน้อยลงใช้ชีวิตประหยัดมากๆในใจคิดว่ากลับไปทำงานล่ามจีนแบบเดิม แต่ใจหนึ่งงานเก่าๆที่ฟันมาก็สร้างรายได้ให้เยอะแต่ทําให้จิตใจเศร้าหมองครับก็ทำงานที่ทําให้จิตใจเราเบิ่อความดีกว่าถึงแม้จะได้รายน้อยก็คุณค่าทางด้า น, นจิตใจมันมากกว่าสําคัญกว่าคุณค่าทางด้านทรัพย์สินได้เงินเยอะแต่ใจเครียดก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าได้เงินน้อยแต่มีความสุขดีกว่าแม้ว่าเป็นทานเนี่ยได้เงินน้อยมีความสุข <c oughs> ไม่เครียด ถ้าไม่ได้สวดมนต์เป็นบาลีแต่ใช้พูดภาษาไทยแบบเข้าใจคนเดียวไม่มีบทสวดแน่นอนแล้วกราบละลึกถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แล้วนั่งสมาธิและเสร็จแผ่ไม่ตาเลยแบบนี้ได้ไหมครับก็ลองทำดูเนยเราใช้เงินด้วยกันกับสามีครับสามีเอาเงินไปซื้อของใส่บาตทุกวันเราได้บุญไหมครับ ถ้าเป็นเงินของเราด้วยนัเราอนุญาตเรายินดีกับการทำของเราเราก็ได้ผลด้วยแต่ถ้าเราไม่ยินดีเราเสียดายเราก็าจะไม่ได้ผลขาดการปฏิบัติไปกับสองเดือนหายใจลำบากนั่งสมาธิไม่ได้พอเปลี่ยนมาเดินจงกรมก็เดินได้ไม่นานพอหยุดปฏิบัติแล้วความขี้เกียจตามมาช่วงนี้นอกจากหายใจลำบากยังมีขี้เกียจอีกจะต้องทำอย่างไรดีครับ ก็ต้องพยายามผลทับไปอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจมันมาครอบนำจิตใจเราไม่ใช่ความเพลยนแต่อย่างทั้งที่เราทาได้อย่ายนั้นตั้งแต่สามีเสียชีวิตใส่บาทให้เขาทุกวันครับอย่างนี้สามีมีโอกาสจะได้รับบุญไหมครับแล้ว่าราอรับบุญอยู่ก็ได้ ถ้าใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการทําความดีที่หมายถึงการทําให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งกับตนเองหรือผู้อื่นจะเรียกว่าเป็นบุญจะเรียกเป็นการทําบุญบารมีหรือไม่ครับเป็นการทำท น, นี้ก็เป็นทางบารมีทำกเกษตรคุกหนองนาครับปลูกผักเลี้ยงปลาถ้าต้องเอาปลาที่เลี้ยงมาทานเพื่อยังชีพอย่างนี้บาปไหมครับถ้าถ้ามั น, ถ, มนถ้ามันยังมีชีวิตอยู่แล้วเราฆ่ามันก็บาป แต่ถ้ามันตายแล้วเรามากินได้ไหมปาปฏิบัติธรรมแบบปิดวาจาจะได้นอาอนิสงส์อย่างไรครับก็จะไม่ไม่พูดปลดไม่เลไม่พูดสอดเสียไม่พูดเทินเจอไม่พูดคำหยา ปฏิบัติธรรมแล้วเบื่อหน่ายโลกโดยเฉพาะเรื่องการเป็นสามีภรรยาเห็นเป็นอสุภะกรรมฐานจะสื่อสารกับคู่ชีวิตอย่างไรไม่ให้ติดกรรมกันเพราะเชื่อว่าลูกๆยังมองเราอยู่ครับเมื่อคุยกันเลยคุยกันว่าตอนนี้มีความรู้สึกอย่างนี้เข้าร่ำได้ไหมคนเรามีเทวดาประจําตัวไหมครับไม่มีหรอก ปฏิบัติจนรู้สึกตัวได้อัตโนมัติในชีวิตประจำวันอย่างนี้เป็นแบบไหนครับไม่ทราบเลยครับรู้แบบไหนนี้พูไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะตอบได้เพราะไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรตอนนี้คำถามอาจารย์ตอบไปหมดแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับราารอายสิบห้านาทีนะครับ คือที่ถามว่ามีรู้สึกตัวตลอดเวลานี้มันรู้สึกอย่างไรรู้สึกแบบไม่คิดหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ายังคิดอยู่มันก็ยังมันก็ยังไม่เป็นสติถ้ารู้สึกแบบไม่คิดนย่นนี้เป็นสติใจว่างใจเย็นใจเราใจสบายไม่มีเรื่องวุ่นวายก่อตัวขึ้นมาในใจเราถ้าเป็นเหมือนท้องฟ้าก็ไม่มีแมฆท้องฟ้าที่นอกโลกแต่ถ้ามีแม่มีอะไรยังทาให้จิตใจนี้อารมณ์กระจายอยู่ ถึงแมนจะรู้แบบนี้มันก็ไม่ถือว่ามันเป็นรู้แบบในสติเพื่อนสามารถจะส่งคําถามเข้ามาได้นะครับการพริมพ์บนแป้ น, น, นคีย์บอร์ดถือว่าเป็นวจีกรรมไหมครับอาจารย์ครับมันก็มีส่วนนะครการที่เราจะใช้ใช้วาจาเรววาก็ใช้ตัวหนังสือเป็นด่าคนได้นะทําไม่ค่อยเข ก็อนทให้เขาเสียใจได้อยากจะออกจากวงจรความเครียดครับพระอาจารย์แจะต้องทําอย่างไรดีครับอยู่คนเดียวอยู่หัวใจครับบางคนบอกอยู่คนเดียวก็เครียดครับอาจารย์รั่งปฏิบัติธรรมนั่เจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาท่านถึจะสามารถออกจากวงจรของความเครียดได้ คุณเสรีครับมีหลักการปล่อยวางสมบัติอย่างไรครับอาจารย์ครับคือว่ามไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติถากันชมเดี๋ยวตายไปเราก็เอาไปติดตัอของเราไปไม่ได้แล้วที่แม่นขาเองก็รับใช้ต่อไปเอาไปใช้ต่อไปแม่เอาเงินของลูกที่ให้แม่มาไว้ใช้จ่ายไปทำบุญ ลูกได้บุญด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ลูกได้บุญตั้งแต่ให้แม่ไปแล้วเงี้ยเราให้แม่เนี้ยเราถือว่าเราได้ทําบุญกับแม่เราได้บุญแล้วส่วนแม่จะไปทําอะไรเนี้ยเป็นเรื่องของแม่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผีมีจริงไหมครับอาจารย์ครับผีจริงไม่หรอกผีเราไม่จริง <c oughs> ผีจริงก็คือคนตายแล้วดวงวิ ญ, ญญาณเขาเข้าไปอยู่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นดวงวิ ญ, ญญาณ แต่เขาจะไม่มาหลอกเราเพาะไม่มีเวลาจะมาหลอกเราเพราะเขาต้องไปรับผลบุญบุญบาปของเขาตอบไปแตผ่ผีที่หลอกเราก็คือผีที่เราคิดขึ้นมาในใจเร <c oughs> าพออยู่คนเดียวเงียบๆหน่อย <c oughs> เห็นได้ยินเสียงเพราะว่าผีมาแลเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยก็ผีมาแล้วอันนี้แหะคือผีหลอกไม่ใช่ผีจริงผีไม่จริงผีไม่จริงชอบหลอกเราเพราเราชอบสร้างขึ้นมาเองมาหลอกตัวเราเอง เวลาอยู่บนเขาก็นึกคำนี้แ่ะครับอาจารย์จริงไม่หรอกครับการเทรดหุ้นเพื่อหวังผลกำไรการซื้อขายทองคำออนไลน์ผิดศีลไหมครับไม่ก็เป็นการทำการค้าขายมีนกแก้วหลงมาอาการอ่อนแอดูแลจนแขนแรงปล่อยไปไม่ยอมไปเลยเลี้ยงในกรง อย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปถ้าเราเี้เราก็ได้ถ้าอยากจะดีก็ไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องปิดของไม่เปิดให้เขาเข้าได้ตามอัธยาศัยเราจะได้ไม่ไปกักขังของเป็นทุกข์จากความคิดทําอย่างไรดีครับคือคิดเนี่ยในพุโทโธพุทโธความาแทนที่คิดแต่พุโทโธพุทโธความทุกข์ก็จะหายไป นกแก้เอามนก็ไม่ใช่ลูกชายทำสมาธิแล้วตัวลอยครับเป็นเพราะอะไรครับแล้วควรจะบอกเขายังไรครับก็มีมีมีมีมีคนบางคนนั่งสมาธิแล้วตัวลอยขึ้นมาก็มีใครรู้ว่าถ้ามันลอยก็รู้ว่ามันลอยนัแต่มันไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการมันจากการนั่งสมาธิเราต้องการให้จิตสงบให้นิ่งให้สบายแต่บางครั้งอาจจะมีผลลอยได้ตัวจะลอยขึ้นมาก็ได้ <c oughs> จิตกับความคิดต่างกันอย่างไรครับจิตเป็นผู้คิดไงจิตเป็นผู้สร้างความคิดขึ้นมาการกำจัดยุงเพราะว่าเรากลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออกอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้ามีเจตนานก็บาปนะเวลาทำบุญและขออุทิศให้พ่อ พอได้บุญด้วยไหมครับเในื่อจากว่าเขาหลอรับอยู่หรืป่าถ้าเขาหลอรับเขาก็ได้ถ้าเขาไม่หลอรับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้นั่งสวดมนต์แต่เปิดฟังได้บุญไหมครับถ้าจิตสงบก็ได้บุญผู้ที่สําเร็จอรหันแล้วจะยังมีความเกลียดคร้านอยู่ไหมครับเช่นเกียดค้านที่จะเทศสอนทําให้กับผู้อื่นครับ ไม่ดีหรอกระาหานระลี้บุคคลนี้ท่า น, น, น, นไม่ไม่มีกวามเกียรติคันทำบุญทำทานแล้วจําเป็นจะต้องกล่าบทิศส่วนกุศลหรือไม่ครับแล้วแต่เราถ้ า, าอยากอุทิศให้กับคนที่ลงลรับประทังก็อุทิศได้ถ้าไม่อยากอุทิศก็ไม่ต้องอุทิศการจับหอยภากในบ้านเพื่อไปปล่อยที่อื่นอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ไม่บาดถ้าไม่ฆ้าเราไม่บาดนอนหลับฝันเห็นคนตายหมายความว่าอย่างไรครับเราอาจจะคิดถึงเข า, าได้อ๋อเมื่อสักครู่มีคนถามว่าที่เรื่องคุณพ่อป่วยแล้วจะคุณพ่อไม่ชอบทําบุญนําทานแล้วเขาบอกว่าพอดีสัญญาณเขาหายไปเขาอยากได้ฟังคําตอบจากพระอาจารย์ว่าจะต้องทำอย่างไรกับคุณพ่อดีครับ ก็แล้วแต่ว่าหนึ่งเรามีความรู้ความสามารถที่จะทําให้กระท้อหายเครียดได้เป า, ายทุกข์ได้เปล่าถ้าเราไม่มีเราก็ทําะไรช่วยท่านไม่ได้สองก็ อ, อยู่ที่ท่านจะว่าท่านยินดีนจะรับคำคำสัง่งคำสอนของเราหรือไม่เนื่องในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องต้องดู ก, การณ์ว่าท่านอยากจะฟังเราหรือเปล่าอยากจะฟังวิธีการดับความทุกข์จากเราหรือเปล่า ถ้าท่านไม่ีไม่มีความอยากจะฟังก็อย่าไปรบกวนท่านอย่างดีกว่าเ อ, อถ้าท่านถามว่าโลกเกยดพ่อทุกข์ก็เกิดช่วยบอกพ่อหน่อยที่ทาให้ความทุกข์นี้หายไปได้อย่างไรถ้าคุณรู้ก็บอกบอกพ่อไปได้ถ้าพ่อไม่ทักไม่อย่าไปคุยอะไรจะดีกว่าเพราะท่านอาจจะไม่ต้องการอะไรจากเราก็ได้ กลัวความเจ็บป่วยและตายครับขอวิธีเริ่มต้นในการพิจารณาอสุภะครับมันคนละเรื่องกันนะคือก็ให้นึกถึง ค, ความเจ็บความตายอยู่บ่อยๆมาละละละก็เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเนื่องพ้นไปไม่ได้พิจารณาเพืไม่ให้หลงไม่ใหนึ่งแล้วใจมันก็จะค่อยๆซึมซับความจริงอันนี้เข้าไปในใจแล้วมันก็จะค่อยน้อมรับความจริงกันนี้ได้ๆข้าไปมันก็จะไม่ทุกข์ไม่กลัว ตอนนี้เห็นจิตสํารวมในขณะที่เกิดผัดสะหรือกระทบอารมณ์โดยไม่แทรกแซงนี่คือสีนอัตโนมัติใช่ไหมครับไม่ใช่เนอะมันไม่ได้เกี่ยวกับ ส, สีนสีเรื่องมีการการะทําถ้าเราไม่กระทำํำเราก็มีสีแต่มันไม่อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เราไปเห็นอารมณ์อะไรต่างๆคือการมีสีก็คือการไม่ทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปเราก็มีสี ส่วนเรื่อ ง, องอารมนี้ถ้าเราอยู่ก็ยังอาจจะมีปฏิกิริยาก็ได้อาจจะชอบก็ได้อาจจะชังก็ได้อาจารย์ครับแล้วการพูดตรงๆไม่ได้พูดปดแต่ว่าอาจจะทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีอย่างนี้เป็นยังไงไหมครับอาจารย์ก็ต้องชช้นหนักหนักดูว่ามันมีคนลยมีประโยชน์หรือว่าคุณจะโทษอัไหนมากกว่ากันถ้าคนประโยชน์มากกว่าโทษก็พูดไปแต่ เ, เราต้องยอมรับผลที่จะตามกลับมา เวลไปแล้วเขาไม่พอใจถึงอว่าเราจะพูดเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราคิดว่าไม่ไม่คุ้มค่าเพื่อว่าพูดไปแล้วเขาไม่ยินดีก็อยาไม่พูดเพื่อจะดีกว่าครับทําเกษตรถ้าเวลาไถาดินหรือฉีดยาเพื่อป้องกันมแมลงคิดว่าเป็นอาชีพสุจริตแต่ไม่รู้ว่าถ้าทําให้ไส้เดือนมแมลงเสียชีวิตเพื่อป้องกันผลผ ล, ผลิตโดยไม่เจตนาฆ่าเป็นบาปไหมครับเป็นบาปเนื้อฆ่าด้วยความหลงทั้งบาปด้วยความหลง ทำลาบที่ขาดไม่ได้ว่มันตายพวกนี้ไปถ้าตายแล้วไปเป็นอสุรกายหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ไปเป็นใน ร, รัชการในงานอ๋อถ้าสุรกายคือความกลัวใช่ไหมครับอาจารย์กลัวความกลัวกลัวว่าจะทำลายเราแล้วทำลายร่องก่อนครับคนจะปฏิบัติธรรมต้องรักความทุกข์ให้ได้ใช่ไหมครับ เ้าต้องไม่กลัวกับมทุกข์แล้วรับได้ยิ่ดีรักความทุกข์ยากลำบากได้ก็สบายพราการบฏิบัติธรรมนี้มันจะต้องอยู่แบบน้องน้อยสั่นโดถึงจะตากิเลสได้พบคนเอาเปรียบเสมอครับทําอย่างไรจึงจะไม่พบคนแบบนี้ครับเราอยู่ในนอกนี้เราไม่สามารถเลือกคนที่เราจะค้งได้แล้ว มันต้องยินดีตามนี้ตามเปรแล้าเขาคนละเปรตก็คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานให้เขาไปก็แล้วกันคนที่ไร้คู่คือคนมีบุญใช่ไหมครับก็ไม่มีความทุกข์เวลาอยู่คนเดียวมันมันทุกข์น้อยกว่าเวลาอยู่สองคนขอพระอาจารย์อธิบายกฎไตรลักให้หน่อยครับก็ไต่ลักสาม ล, ลักษณะสามลักษณะของุกสิ่งตุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้จะเป็นของไม่เที่ยงอนิจจไม่มีเถอสิ่งไหนที่มันจะอยู่ยั่งยืนถาวรนี้เกิดแล้วก็ต้องมีดับไปนี่เรียกว่าอนิจจไม่เที่ยงอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมครับไปสั่งให้มันเที่ยงได้เพราะมันเป็นเรื่องของการปรากฏการางธรรมชาติเช่นฝนตกดารานี้มันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ไม่มีใครสามารถไปสั่งไปห้าคนตกอย่างหลงได้ทด่านใดเราก็ไม่สามารถไปสั่งทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไม่ให้มันอยู่ยั่งยืนถาวรได้มันเป็นอนัตตาถ้าเราอยากให้มันยั่งยืนถาวรเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกนี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งตา่างๆแต่อยู่ในใจของเราที่ไปอยากให้สิ่งตา่างๆยั่งยืนถาวรอยู่ภายใต้การควบคุมบังของเรามันไปไปไม่ได้ก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมนาะ เช่นร่างกายเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่เจ็บตายเราไม่จะทําให้เราทุกข์ขึ้นหน่อยทันทีวันนี้ได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพครับกลับถึงบ้านรู้สึกเศร้าใจจะต้องทําอย่างไรครับก็ทําสมาธิได้ก็ทําไปหยุดควมามคิดได้ก็หยุดไปใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปว่ามันเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลานี้ของทุกคน ไม่กระทั่งตัวเราในวันหนึ่งข้งหน้าเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันถ้าเรายอมรับความจริงได้ควาเขร้าใจไม่หลายไปตั้งแต่หนูฝึกและฟังพระอาจารย์ก็มีจิตสงบมากขึ้นเรื่อยๆวันก่อนมีคนมาชอบเขาเป็นคนรวยเราตอบว่าเราไม่สนใจชีวิตทั้งโลกเขาว่ากลับมาว่าโง่แต่หนูเฉยๆไม่รู้สึกโกรธเลยเขาเข้าใจว่าเขาโกรธไม่ได้ดังใจอย่างนี้ถือว่าหนูพัฒนาได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ ถุกต้องเราชาดิเขาหนักหนาที่ง้อแต่เขาไม่รู้ว่าเขาง้อแต่เราไม่รู้ว่าเราชาตาเราทางโนานี่มันเป็นทางของของของของความทุกขทางธมนี่เป็นทางของความสุขมีวิธีที่จะให้ขยันสวดมนต์ทำสมาธิไหมครับอาจารย์นี่เป็นความตายเลย เ่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่ไทําเสียตัดตอนนี้พอถึงเวลาตายแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะทำเลยคนที่ถือศีลแปดแล้วไม่ยกมือไหว้สวัสดีทักทายผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเช่นแม่เพราะแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นถือศีล น, น้อยกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรือครับอาจารย์ไม่ถูกหรอกอันนี้เป็นเรื่องของความไม่ไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้รับเราไม่ได้วัดที่ศีลอย่างเดียว ก็มีอย่างอื่นอีเอาไหว้โยมวดก็มีวันนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็ต้องไหว้เขาถึงแม้เราจะเป็นเป็นคนที่ศีลแบบโยมวนถ้าเราเป็นพระเท่านั้นนะถ้าเราเป็นพระนี่เป็นธรรมเนียมที่พระไม่ควรจะไหว้คนที่ไม่มีศีลหรือคนที่ไม่ได้บวชพระก็จะไหว้แต่คนที่ที่บวชด้วยกันคนที่มีศีลมากกว่าคนที่มีศีลน้อยกว่าก็จะบวคนที่บวชบวนหลังก็บวชก็จะไหว้คนที่บวชก่อน หรือวเป็นพี่เป็นล่กพี่แต่สำหรับคารวะด้วยกันนี้จะเท็จเสียมากไม่เกี่ยวเลยเพราะพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่อีกู่ยั ง, งน้องคารวรนบเธออยู่เหมือนเดิมแมวที่ตายมีดวงจิตอินยานไหมครับมีสัตว์ทุกชนิดมีถ้ามีตาผมจะมองมินใจก็จะมีดวงอิญยาน คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยบอกว่าให้ยอมรับถึงความไม่เที่ยงไม่แน่นอนของคู่ชีวิตให้ยอมรับจริงๆปล่อยวางแล้วแต่สามีไม่ยอมปล่อยต้องจัดการความทุกข์จากคนอื่นไม่ปล่อยวางได้อย่างไรครับเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขายังไม่ปล่อยเรื่องของเขาไปขอให้เราปล่อยก็แล้วกันอเราอยากไปอยากให้เขาปล่อย ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากร้ายอยากให้เขาปล่อยเพราะเราไปสั่งเขไม่ได้อ้ามเขาไม่ได้แเ้าก็ยังไม่ปล่อยเขาปล่อยเขาไม่ปล่อยไปเราก็อยู่ของเราไปเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาเราก็สบายเลยนะที่เราทุกข์พราเราอยากจะให้เขาปล่อยเราือเนี่ย <c oughs> เราต้องยอมรับว่าเราบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ถ้าเขายังไม่ยอมปล่อยก็ต้องอยู่ของเขาไปก็ต้องปล่อ ย, าายก็ยึดกับเราไปก่อน อาจารย์ขอแท็บอีกสักข้อหนึ่งครับน่าสนใจครับใช้ใช้วิธีนับเลขแทนการใช้พุทธโถกับลมหายใจได้ไหมครับล <c oughs> องดูเลยลองดูอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ549ในยู665ในคลับ7ในทิกต็อก552รวมกัน 1,773 คนนะครับ อ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา13นาทีพระอาจารย์ตอบไป143คำถามครับวันนี้คำถา ม, ถามเยอะนะครับดีใจที่มีคนสนใจแล้วเข้ามาถามหวังว่าผมจะได้รับประโยชน์ช่วยให้การปฏิบัติธรรมดีขึ้นไปทางระรับทนสุนทนาธรรมสลับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรจะเวลาขอให้ท่านทุกท่านที่ท่านได้ยินได้ฟังไปิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขคเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปอขอถ้าถ้าไม่มีก็ อ, อ่จะคุยกันต่อถ้าไม่มีเหตุการณ์ขัดเข้าอันใดก็คณจะได้พบกันอีกเช่นเกยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ